บทที่176เราทุกคนกำลังฟังกันอยู่แง่ายเชฐถาเตือนขึ้นท่ามกลางความเงียบเจ้านายครับทุกท่านในขณะ น, นี้เกิดปัญหาที่ว่านายชดกระนันอินใช้อะไรเป็นหลักเกณฑ์ในการเดินทางมาถึงที่นี่ในเมื่อผู้กองก็ยืนยันอยู่ว่าแผนที่ฉบับนี้มีอยู่เพียงฉบับเดียวในโลกและไม่ได้นายชดเห็น หรือคัดลอกเอาไว้แง่าสายพูดช้าๆเป็นจังหวะที่ชัดเจนยิ่งด้วยลิ้นอันสำแดงให้เห็นถึงความเป็นเอตะทักคะในภาษาสากลโดยไม่แท่งดัดให้เพี้ยนหรือแปลงไปผิดไปจักทุกครั้งมันเป็นสำนวนถ้อยคำของคนที่สิวไลแล้วยนดารินวราฤทธิ์ถึงกระต้องเอียงคอตะแคงหูฟังอย่างชนิดจับไปทุกประโยคจะไหนครับ ผมมีเหตุผลที่ทำให้แน่ใจได้ครับว่าทั้งสองคนนั้นจะต้องได้หลักเกณฑ์แนวทางที่ถูกต้องมากที่สุดไม่น้อยไปกว่าหลักเกณฑ์ในแผนที่ของผู้กองแล้วก็โดยไม่จำเป็นจะต้องเห็นแผนที่ของผู้กองเลยครับผมเชื่อมาก่อนใครทุกคนแม้แต่ผู้กองเองก็ตามว่านายชดกับคนของเขาจะต้องเดินทางบรรลุถึงเป้าหมายอย่างไม่ผิดพลาดขอให้เราพิจารณาถึงคนนาทางของนายชดนะครับ ผมหมายถึงนันอินคนนั้นครับแง่สยสเว้นระยะนิดหนึง่งสายตาขณะนี้แปรไปจับอยู่ที่ระพินไพรวันซึ่งพรานใหญ่จับจ้องมาก่อนแล้วโดยไม่กระพริบแล้วกล่าวต่อมาว่านานอินผู้ซึ่งถ้าเราไม่มองข้ามความจริงไปซะเราก็น่าจะเชื่อได้ว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่รู้เส้นทางสายนี้ดีที่สุดฉันรู้ ว่านาันอินเป็นพรานและเป็นนักเดินป่าชั้นเยี่ยมแค่ไหนรพินพูดแต่ต่อให้เขาจะเก่งสักบานไหดก็ตามถ้าไม่มีหลักเกณฑ์หรือแนวนําทางอะไรอยู่ในมือบ้างเลยเขาก็ไม่น่าจะนํานายชดมาได้ถูกนะเราอยากจะรู้ว่านันอินรู้จักเส้นทางได้ยังไงเราไม่เชื่อว่าเขาจะเดินทางมาถึงที่นี่ได้อย่างเดาสุ่มนี่คือประเด็นครับไม่ใช่เดาสุ่ม หรือเป็นเรื่องของความบังเอิญแน่นอนครับอีกฝ่ายตอบพร้อมกับยิมน้อยๆทำให้ใบหน้าอันคมสันอ่อนโยนมีสเสน่ห์ชวนมองขึ้นอีกผู้กองครับถ้าผู้กองไม่ลืมซะเองผู้กองก็น่าจะค้นหาคำตอบได้นะครับว่าเหตุใดนันอินจึงควรจะรู้เส้นทางฉันลืมอะไรรบพินขมวดคิ้วผู้หญิงชาวเขาคนหนึ่ง พร้อมกับลูกชายเล็กๆของนางอีกคนหนึ่งสมซานมาพบกันหนานอินกลางป่าผู้หญิงคนนั้นเป็นชาวมรกรนครหนานอินเป็นคนช่วยเหลือไว้แล้วก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นจะตายโดยฝากลูกชายไว้ให้ซึ่งต่อมาหนานอินก็เอาเด็กคนนั้นไปมอบให้พระธุดงเรื่องนี้ผู้กองรู้มาก่อนแล้วจากคำบอกเล่าของหนานอินแล้วก็ไดมารู้ภายหลังจากปากคาของผมอีกว่า แม่ลูกคู่นั้นก็คือแม่และตัวผมแง่ายนี่เองจอมพรานเบิกตากว้างอย่างสะดุดเข้ากับความคิดในขณะที่ทุกคนรับฟังอยู่ขณะนี้ตื่นตัวเต็มที่ต่อสิ่งที่แง่ายพูดเอ๊ก็เข้าข้าวอยู่นะผมพอจะมองเห็นอะไรเป็นเงาเงาแล้วล่ะท่านหัวหน้าคณะพูดขึ้นโดยเร็ว ผมก็เพิ่งมานึกออกเดี๋ยวนี้เองครับแง่ท า, ายเคยสา ร, รภาพกับคุณไว้ต่อหน้าเราทุกคนเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนที่เราพยายามพิสูจน์หัวกะโหลกที่ค้นได้จากเหตุกินคนระหว่างที่ข้ามทะเลสาบมรณะว่าเป็นกะโหลกของอนุชาและนานอินใช่หรือไม่ซึ่งแม้แต่น้อยเองก็ยังไม่อาจมีความแน่ใจอย่างใดได้แต่แ ง, ง่ท า, ายยืนยันว่าหนึ่งในสองของหัวกะโหลกนั้นไม่ใช่นานอิน เพราะจำฟันที่เคยพาไปให้หมอฟันถอนให้หนานอินได้อีกตอนนั้นคุณก็เลยซักถามถึงสาเหตุว่าแง่สายเคยมีความสนิทสนมคลุกคลีกับหนานอินใกล้ชิดมายังไงแง่สายก็เลยเล่าความจริงทั้งหลายแหล่ให้ฟังแง่สายหันมาก้มศีรษะให้เชิดถาใช่แล้วครับนายใหญ่มีความจําดีมากครับไม่เพียงแต่นายใหญ่หรอกพวกเราทุกคนก็จําเหตุการณ์ที่ผู้กองสอบซักเธอ และเธอได้เล่าความจริงทั้งหลายให้เขาฟังกันได้ทั้งนั้นแหละเธอบอกว่าเธอเป็นลูกของหญิงคนที่หลงป่ามาพบกันนานอินและนานอินช่วยไว้ต่อมาหญิงคนนั้นตายนานอินก็เอาเธอไปมอบให้กับพระธุดงแล้วก็ไม่พบกันอีกเลยจนกระทั่งเธอเติบใหญ่ก็มาพบนานอินอีกครั้งหนึง่งนานอินจำไม่ได้ว่าเธอเป็นใครแต่เธอสิยังจำนานอินได้และระลึกถึงบุญคุณของนานอินที่เคยอุปการะ ช่วยเหลือแม่กับตัวเธอมาสมัยหนึ่งจึงพยายามเป็นมิตรที่ดีตอบแทนบุญคุณนานอินโดยแม่เขารู้ตัวมาตลอดแม้กระทั่งช่วยพาไปถอนฟันจนทำให้สามารถจำตำแหน่งฟันซี่ที่ถูกถอนออกไปของนานอินได้นำมาเป็นเครื่องยืนยันพิสูจน์กับเราทุกคนว่ากระโหลกที่เราค้นพบนั้นไม่ใช่กระโหลกของนานอินเธอเล่าไว้เช่นนั้นใช่ไหมใช่ครับนายหญิง ก็มีความสงสัยพฤติการของแก่สมัยที่ยังเป็นทหารกองโจนกระเรี่ยงในข้อที่ว่าแท้ที่จริงนั้นอินเป็นสายให้ตํารวจระเวนชายแดนไทยเข้าๆออกๆติดต่อกับพวกกระเรียงอยู่ตลอดเวลาแล้วทําไมแกถึงไม่ฆ่าซะแกก็บอกว่าแกไม่ฆ่าก็เพราะนันอินเคยมีบุญคุณล้นเหลือกับแกมาก่อนจึงไม่อยากจะทําอะไรมีหนาซ้าสมัยที่แกหนีทหารออกมาแล้วพเนจรเร่ร่อนท่องเที่ยวป่าไป ยังปราศจักจุดหมายแกก็เคยร่วมกินร่วมนอนรอนแรมอยู่กนานอินบ่อยครั้งถูกต้องไหมที่แกเคยบอกไว้เช่นนั้นถูกต้องครับนายทหารทุกคนล้วนมีความจําในเรื่องนี้ได้ดีทั้งสิน้นก็อาจจะมีแต่ผู้กองเพียงคนเดียวเท่านั้นละมะที่ไม่อยากจะจดจะจําไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาจากปากของแงซายดูเหมือนเขาจะเมินเฉยแล้วก็มองข้ามไปสหมดนี่นี่นี่ แกไม่ต้องมากระทบเหน็บแนมอะไรฉันนะแงซ า, ายพรานใหญ่พูดน้ำเสียงแข็งกระด้างถูกแล้วฉันไม่เคยเชื่ออะไรที่แกพูดยกเว้นแต่ในกรณีที่ความจำเป็นมันบีบบังคับให้แกต้องพูดความจริงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองไว้เท่านั้นแหละเอาละ่ะสำหรับในกรณีนี้แกต้องการให้พวกเราทุกคนคิดว่าที่นันอินสามารถรู้เส้นทางสายนี้ได้ก็เพราะผู้หญิงคนนั้น แม่ของแกเป็นคนให้แนวทางไว้ใช่มะครับแม่เอาผมออกจากดินแดนนี้ยากแค้นสมซารจนต้องตายจากไปฝากลูกชายไว้ให้แก่ผู้มีเมตตาช่วยเหลือไว้แล้วเป็นไปไม่ได้เรอครับที่แม่ผมจะบอกว่าทินฐานเดิมของแม่อยู่ที่ไหนถ้าอยากจะไปให้ถึงควรจะไปยังไงข้อนี้ผมก็ไม่อาจยืนยันอะไรได้แน่ชัดนะครับเพราะผมเองในขณะนั้นก็จาไม่ได้ ว่าแม่บอกอะไรกับนันอินบ้างระพินพยักหน้าช้าๆแล้วหันไปทางฝ่ายนายจ้างเขาทุกคนก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่นานอินได้ความรู้ในเส้นทางจากหญิงชาวเขาคนนั้นไว้มากเพราะขนาดที่ผมเคยพบปะพูดคุยกับนานอินในเรื่องนี้สังเกตูแกมีความมั่นใจอยู่ไม่ใช่น้อยผมเองสิอีกครับในขณะนั้นเห็นว่ามันเป็นสิ่งไร้าสาระ งั้นก็แปลว่าเราสรุปได้แล้วสินะว่าเหตุใดนั้นอิงจึงนําพี่กลางมาได้อย่างถูกต้องก็มองไม่เห็นเหตุผลทางด้านอื่นใดจะดีไปกว่าการสันนิษฐานตามข้อมูลนี้แล้วอ่ะมาเรียก ว, ว่าแล้วถอดดวงตาสีดอกผักตกจับนิ่งไปยังคนใช้ของคณะอ่ะแงไซเธอยังไม่ได้บอกเหตุผลให้พวกเราทุกคนทราบเลยนะว่าทําไมแม่ของเธอถึงได้หนีสมซานออกจากดินแดนแห่งนี้ไปตามลําพัง 2คนแม่ลูกอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิจัยอันเหลือเชื่อครับจนกว่าจะได้พิสูจน์ความจริงออกมาให้เห็นชัดเจนผมจะยังไม่ตอบคำถามใดๆแกทุกท่านนอกเหนือไปจากความจําเป็นเฉพาะหน้าอันเกี่ยวกับเรื่องที่เรากำลังค้นหาทางขึ้นเทือกพระศิวะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่อยู่ในขณะนี้เท่านั้นเอาเป็นว่าถ้าอยากจะทราบความจริงก็โปรดถามผู้กองระพินแล้วกัน เพราะผมได้บอกความจริงแก่เขาไปทั้งหมดแล้วแต่เขาก็หายยอมเชื่อไม่ผมคิดว่าเขาทําถูกต้องแล้วครับที่ไม่เชื่อจนกว่าจะได้พิสูจน์ชัดเห็นแจ้งกับตาแต่ยังน้อยที่สุดผมก็รู้สึกว่าได้แสดงความบริสุทธิ์ใจแก่เขาจนหมดสิ้นแล้วไม่มีอะไรแอบแฝงเงื่อนงาอย่างที่เขาคอยคิดระแวงอยู่อีกสี่คนของฝ่ายนายจ้างมองเป็นคาถามไปที่ระพิน์ไทรวันเป็นตาเดียวกัน ในที่สุดรับลมคมในทั้งหลายแหล่มันก็อยู่ที่สองคนนี้เองสองคนรู้อะไรกันดีที่สุดพวกเราเท่านั้นแหละที่เป็นฝ่ายไม่รู้ตาไม่เคยทันเลยสักอย่างเดียวนี่อยากจะรู้เหลือเกินนะว่าพรานนาทางคนหนึ่งกับคนใช้อีกคนหนึ่งจะมองฝ่ายนายจ้างทุกคนโง่งมกันไปถึงไหนกันนะมันน่าเจ็บใจเหลือเกิน น้องสาวคนสวยของฝ่ายนายจ้างเปรยขึ้นอย่างตัดพอ้อผมอยากจะขอร้องท่านนายจ้างของผมทุกคนนะครับอย่าได้เอาเรื่องอื่นใดมาเป็นกังวลคิดนอกเหนือไปจากปัญหาเฉพาะหน้าในขณนะนี้เลยนะครับวันนี้เราก็สับสนตึงเครียดกันมามากแล้วสมองก็อ่อนเปลี้ยเต็มทีผมว่าเราทานอาหารเสร็จแล้วพักผ่อนกันดีกว่าครับ ผมขอยอมรับสารภาพเป็นครั้งแรกว่าวันที่เราเหยียบถึงเนินพระจันทร์ได้สำเร็จวันนีนะ้เป็นวันที่ผมอ่อนเพลียที่สุดทั้งร่างกายและสมองครับระพินไพยวันไม่เคยร้องอุทธรเช่นนี้มาก่อนตลอดระยะเวลาแห่งการนำ บ, บุกบั่นฟันฝ่าอย่างทอรหดของเขาข้าวหน้าและแววตาก็อ่อนโรยลงอย่างสังเกตเห็นได้ชัดทุกคนจึงลืมเรื่องอื่นใดซะชั่วขณะ หันไปพิจารณาดูเขาอย่างสงสารและเห็นใจเป็นอย่างยิ่งพรานใหญ่กล่าวจบก็ขอตัวเดินเลี่ยงเข้าไปหามุมหนึ่งของที่พักริมกองสัมภาระหันไปสั่งความกับคนของเขาอีกสองสามคำก็เอนตัวลงนอนเอามือประสานไว้กระอกหลับตาอย่างอิดโรยนี่พวกเรานะ่ะขัดคันรุกร้าเอากับเขามากเกินไปแล้วนะเนี่ย ทั้งๆ ท, ที่เขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้อย่างดีเยี่ยมที่สุดแล้วชายันพึมพำมขึ้นอย่างกังวล น, นี่สังเกตดูไพรวันจะไม่ค่อยสบายด้วยนะเนี่ยหน้าเขาซีดเหลือเกินเมื่อกี้มาเรียพูดเบาๆแล้วมองไปทางหมอดารินซึ่งกำลังส่งสายตาไปที่ชายผู้นั้นเงียบๆก็พอดีกับที่ท่านหัวหน้าคณะบอกกับน้องสาวมาว่าก็าไปดูหน่อยสิน้อย ห้าสิบชั่วโมงนับจากเวลานี้เป็นต้นไปเราจะยอมให้ระพินหรือพวกเราคนใดเจ็บไข้ได้ป่วยลงไม่ได้เป็นอันขาดแพทย์สาวประจำคณะลุกขึ้นเดินตรงไปที่ร่างของพรานใหญ่ซึ่งนอนเหยียดยาวห่างจากกลุ่มของทุกคนออกมาประมาณเจ็ดแปดเก้าในซอกมุมบังของกองสัมภาระแล้วซุดตัวลงทางด้านศีรษะของเขาซึ่งใบหน้าถูกบังไว้ด้วยหมวกอันมักจะเป็นปกติวิสัย ในการนอนของเขาหล่อนดึงหมวกที่ปิดหน้านั้นออกอย่างแผ่วเบาเจ้าของหมวกรู้สึกตัวเปิดเปลือกตาขึ้นพอเห็นก็ขยับจะลุกขึ้นแต่อีกฝ่ายเอามือแตะ อ, อกไว้กระซิบนอนเถอะฉันเพียงแต่จะมาตรวจ ด, ดูวการของคุณเท่านั้นแหละพี่ใหญ่สั่งคุณชายเหรอครับใช่ก็เป็นห่วงคุณมากนี่ถ้ไม่ใช่เพราะคุณ พี่ใหญ่สั่งคุณน้องสาวก็คงไม่อยากจะหันมาดูใช่ไหมล่ะครับอย่าพื้นเสียงหุดหงิดให้มากนักเลยราพินถ้าฉันหรือพวกเราคนใดพูดอะไรทำให้คุณไม่พอใจฉันก็ขอโทษด้วยผมไม่เคยไม่พอใจอะไรในจ้างของผมหรอกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นและผมก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอครับนอกจากหมดแรงเท่านั้นได้นอนหลับสักตื่นก็คงจะดีขึ้นะครับ ดาริยิม้มเอามืออังที่หน้าผากซอกคอและจับที่คางอันคลึ้มเขียวไปด้วยคราวนั้นบีบเบาๆขอวัดประหอยขอวัดประลอดหน่อยได้ไหมรู้สึกว่าจะมีไข้เชื่อเอะครับว่าผมไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นแหละนอกจากเพลียอยากนอนประหลอดแต่มันบอกความจริงอะไรคุณหญิงไม่ได้หรอกครับเพราะถึงยังไงอุณหภูมิในตัวผมนะ่มันก็สูงผิดปกติอยู่ดี เพราะอำนาจยาของบุญคำที่กินกันหนาวเอาไว้อยู่ว่าแต่ผมเลยครับทุกคนพวกเราก็คงมีอุณหภูมิในร่างกายสูงผิดปกติกันหมดทุกคนนั่นแหละถต่าใครกินยาของบุญคำเขานี่นๆโกรธใช่เหรอเปล่าครับรับตางหากละถ้างั้นก็กินยากันไข้ไว้ซะหน่อยนะระพินตกลงครับ ถ้ามันจะช่วยพิสุจน์ในสิ่งที่ผมบอกคุณหญิงอยู่หยกๆยกนี่ลอนส่งยามเม็ดให้เขาชุดหนึ่งระพินเทเข้าปากกลืนโดยไม่สนใจใยดีกันน้ำแล้วบอกต่อมาในขณะที่ดวงตารีโรยจะปิดไม่ปิดแหลว่าถ้ามันมียาอะไรที่กล่อมประสาทชนิดที่ทำให้ผมต้องตื่นยากกว่าสภาพสามัญปกติของผมก็ขอใหระวังเรื่องเวียามไว้ด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกำชับแง่ทรายอย่าให้เผลอเลในเรื่องนี้นะครับหลับให้สบายถึงจอมพรานของฉันไม่ต้องกังวลกับอะไรทั้งสิ้นนะทังนั้นก็ชัดละคุณหญิงวางยานอนหลับผมแน่นอนเธอนาหลับให้สนิทแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านนะจะทำให้ความตึงเครียดคลายได้ดีที่สุดจนสงสารคุณรู้ไหมเหนื่อยแล้วก็มีภาระหนักยิ่งประทุกคน ผูิงครับถ้ามันให้ผมกินยาระงับประสาทโดยเหตุผลเพียงเพื่อต้องการให้นอนหลับอย่างสบายแบบนี้อยู่เรื่อยๆอันตรายมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืนจะไว้ใจเนินประจันท์นะครับว่าจะไม่มีอันตรายเมื่อตะวันตกดินไปแล้วระพินคุณหลับอย่างสบายเพียงคนเดียวแต่พวกเราหลับอย่างชนิดพร้อมที่จะรู้ตัวเสมอ แล้วก็มีเวรยามก็คงไม่เกิดเรื่องร้ายอะไรขึ้นหรอกทั้งนั้นก็สุดแล้วแต่นะครับผมจะไม่ตื่นอีกแล้วจนกว่าพระอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้ขอนอนให้เต็มที่สักคืนหนึ่งนะครับนิตราสวัสดิ์ระพินพระยอดพรานของฉันลอนแตะที่เปลือกตาเขาเบาๆแล้วผลักมาแล้วความมืดอันเยือกเย็นก็ปกคลุมเนินพระจันทร์ หิมะตกพรมอยู่บนยอดเขาสูงรอบด้านถ่ามกลางราตรีอันหมนมัวในหุบต่ำเบื้องล่างอันเป็นสถานที่พักของทั้งสิบสองชีวิตในขณะ น, นี้ได้รับแต่เพียงละอองบางๆความหนาวปราศจากความหมายซะแล้วเพราะความชาชินคุ้นเคยประกอบกับยาดีของบุญคำซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันมาตั้งแต่ตอนกลางวันและเป็นที่หวังได้ว่าหาก ใครไม่สามารถจะทนทานได้ก็ยังกินซ้ำได้อีกถึงยังไงบรรยากาศยามราตรีของที่นี่ก็ยังลดย่อนความทารุณกว่าที่เคยผ่านกันมาบนยอดเขาสูงมากมายนกะระพินไพรวันหลับสนิทเป็นตายไปแล้วโดยไม่มีใครรบกวนเขาอีกระหว่างที่เชษฐถาเรียกประชุมพวกพรานพื้นเมืองเพื่อกำหนดเวรยามเงซ า, ายผู้อุ่นเคี้ยวน้ามันยา สำหรับใช้นวดฉลมตัวนายหญิงอยู่ตั้งแต่ตอนโพรโเพย์ก็หิวมอ่อบันจุน้ำมันที่ยังเหลือและเก็บไว้ตั้งแต่คืนวานเข้ามาบอกดารินต่อหน้าทุกคนว่านายหญิงควรจะให้ในายแหม่มเอาน้ำมันนวดตัวซ้ำอีกครั้งในคืนนี้ก่อนนอนนะครับขอบใจมากดูเธอก็เป็นคนใช้หน้าสื่อที่มีความพักดีน่ารักอยู่เสมอนะแต่ไม่น่าที่จะเป็นคนลึกลับหลอกลวงถึงเพียงนี้เลยแงซาย ดารินเพิ่งจะได้โอกาสอีกครั้งจอมพเนจรยิงฟันยิ้มอย่างแง่ซายคนเดิมและหมุนตัวกลับจะเดินผลักไปเฉยๆแต่แล้วก็ต้องชะ ง, งักและหันกลับมาช้าๆเมื่อนายหญิงออกคําสั่งมาอย่างเฉียบขาดว่าเดี๋ยวนั่งลงก่อนยังไม่อนุญาตให้ไปแง่ซายค่อยๆสุดกายลงนั่งตามคําสั่งอย่างสงบ นายหญิงจะให้เงซทายรับใช้อะไรอีกครับนีกสลัดคราบของเงาทายออกแล้วแกนแท้มาพูดกันหน่อยสิคนหนึ่งจะเป็นยังไงในกสุดแล้วแต่นะแต่ว่าขอให้รู้ไว้ด้วยว่าเฉพาะฉันไม่ต้องการเก็บความข้องใจไว้นานนายหญิงเปิดฉากพูดอย่างเป็นงานเป็นการท่าทีเคร่งครึมเอาจริงตาคมกริบจ้องเขม็งมาเหมือนจะมองให้ทะลุถึงกลางหัวใจ เงีทรายเธอรู้แล้วใช่ไหมว่าพวกเราทั้งหมดรู้ถึงพื้นฐานของเธอหมดแล้วเธอไม่ใช่คนดงคนดอยที่มีอดีตเป็นเพียงร้อยโทกองโจรกระเรียงแต่เป็นปัญญาชนที่ผ่านความซีวไลมาอย่างดีแล้วอย่างน้อยที่สุดก็จับสถาบันชั้นสูงขั้นมหาวิทยาลัยด้วยอาการอันอ่อนโยนเยี่ยงสุภาพบุรุษเจ้าคนใช้พิเศษก้มศรีรษะให้กับฝ่ายนายจ้างสี่คนที่นั่งจ้อง แต่ผมไม่ได้มดเท็ดหรือล่อลวงนะผมเพียงแต่ไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดที่ผมมีอยู่เท่านั้นเพราะไม่ได้มีคำถามในเรื่องนี้ก็ทำไมจะไม่มีคำถามนะพวกเรานี่สอบประวัตินายขณะที่นายเข้ามาอาสาสมัครเป็นคนใช่ไม่ใช่เหรอก่อนที่จะออกเดินทางมานี่เนะี่ยชายันตั้งคาถามมาบ้างเจ้านายครับตอนนั้นนะพวกท่านถามว่า ก่อนจะมาอาสาสมัครเป็นคนใช้เดินทางมาโดยครั้งนี้แง่ไซทําอะไรมาก่อนแง่ไซก็เรียนให้ทราบไปตามจริงถึงอดีตเท่าที่ควรจะบอกการเป็นทหารกองโจรกรเรียงการเป็นกรรมกรตามเหมืองแร่การเป็นนักล่าสัตว์ท่องเที่ยวพเนจรไม่ใช่ความเท็จนะครับก็แล้วทําไมเธอไม่บอกความจริงที่มันมากไปกว่านั้นอีกละ่ะเธอเคยเป็นอาจารย์สอนวรรณคดี สำเร็จปริญญาทางอักษราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบอมเบ์ดารินรุกคาดทุกคนเงี่ยหูคอยฟังคำแก้ตัวหรือวิธีหาทางออกของเจ้าคนที่อมความลี้ลับตบตามาเป็นเวลานานคนใช้พิเศษของคณะนิ่งเงียบไปขณะจิตหนึ่งข้าวหน้าเริ่มจะส่อถึงความอึดอัดกังวลใจจะไหนครับ เมื่อแงซายเข้ามาขอสมัครเป็นคนใช้ติดตามมาด้วยที่หนองน้ำแห้งแงซายย่อมตระหนักได้ดีนะครับว่าบุ ธ, ธิอันใดบ้างที่คณะเจ้านายต้องการสำหรับการรับคนใช้ร่วมทางมาด้วยคนหนึ่งในที่สุดบุรุษโฉมงามผู้นั้นก็กล่าวขึ้นอย่างเบาแต่ฉัดฉานชัดเจนคุณสมบัติของคนใช้ที่จะเดินทางร่วมในเส้นทางอันไม่รู้อนาคตนี้ก็คือคนแข็งแรง สื่อสัตท์มีความชำนาญในการเดินป่าดีพอสมควรเท่านั้นย่อมเพียงพอแล้วคณะเจ้านายทุกคนคงไม่ประสงค์คุณสมบัติอื่นใดนอกเหนือไปจากนี้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่ผู้สมัครงานในตำแหน่งลูกหาบเดินป่าจะแสดงปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยและประสบการณ์อื่นใดที่นอกเหนือไปจากจาเป็นโปรดรองดูนะครับทุกท่านจะยอมรับแงซายให้ร่วมทางมาด้วยหรือครับ ถ้าหากแง่ไซบอกถึงประวัติแท้จริงทั้งหมดเพราะปัญหาความแคลงใจทั้งหลายมันจะต้องเกิดตามมาในทันทีแง่ไซต้องการร่วมทางมาให้ได้ในครั้งนี้ไม่ต้องการให้มีการปฏิเสธหรือข้อระแวงสงสัยอื่นใดทั้งสิ้นไม่มีความมดเท็ดหลอกลวงใดๆจากแง่ไซในประวัติชีวิตบางส่วนที่เสนอเข้ามาเพื่อการพิจารณาเฉพาะงานที่ขอสมัครแต่แง่ไซยอมรับครับ ว่าไม่ได้เปิดความจริงทั้งหมดเท่านั้นเพื่อตัดปัญหาอื่นใดที่จะต้องเกิดขึ้นทั้งสี่คนฝ่ายนายจ้างอึ้งไปก็จริงของมันชายันพูดเสียงต่ำๆเราคงไม่ยอมรับคนใช้เดินป่าที่เข้ามาแสดงปริญญาบัตรทางอักษราศาสตร์ประกอบใบสมัครแน่ๆบางทีอาจจะถูกไล่เตะออกไปสะตั้งแต่วันสมัครวันแรกน่นก็ได้ ดุไม่ฉะนั้นก็คงจะต้องสอบซักกันเป็นการใหญ่ว่ามันเรื่องอะไรถึงจะลรื่งมาสมัครเป็นลูกหาบในการเดินทางเสี่ยงตายครั้งนี้ฮึปลอมแปลงปิดบังฐานะอันแท้จริงโดยแทรกซึมเข้ามาได้อย่างสนิท ด, นะดารินแมมริมฝีปากพึมพำเหมือนจะกล่าวกับตนเองผู้ที่ตกอยู่ในฐานะจำเลยไกลๆได้ยินเสียงเปรยของนายหญิงอย่างถนัด ใ ส, ส่สีสันแฉะแปฏิเสธมาว่านายหญิงครับโปรดเห็นในความจำเป็นของแง่ทรายเถครับแล้วก็กรุณาอภัยด้วยเถอะแง่ทายแทรกซึมเข้ามาอย่างนายหญิงว่าจริงเพราต้องการจะขอมาด้วยอย่างที่ได้เรียนมาแล้วแต่การแทรกซึมของแง่ทายก็หาได้สนิทนักไหมเพราะในที่สุดคณะเจ้านายทุกคนก็ย่อมจะใช้ความฉลาดรอบคอบจับความจริงจนได้ เงาสายตบตาคณะเจ้านายและพรานใหญ่ไปไม่ได้ตลอดรอดฟังรอกรู้ดีอยู่ตลอดเวลาว่ายิ่งนานวันตนเองก็ยิ่งสอพิรุษเงาสายไม่คิดที่จะอพาพราตบตาเจ้านายตลอดไปหรอกครับเพียงแต่ให้ถึงเวลาอันควรซะก่อนเท่านั้นก็เพื่อประโยชน์ของเงาสายเองเพื่อประโยชน์อะไรประโยชน์ที่มีโอกาสเดินทางร่วมมาด้วยจนถึงที่นี่นัลมารียถาม นำเสียงของหล่อนเป็นการสัมภาษณ์มากกว่าที่จะตั้งข้อซักไซายเจ้าคนลึกลับก้มศีรษะลงใช่ครับนายแมมประโยชน์ที่แง่ทายจะขอพึ่งบารมีเจ้านายทุกคนรวมทั้งพรานใหญ่นำตัวเองมาจนถึงแดนแดนแห่งนี้ได้สำเร็จครับนี่แง่ายเป็นครั้งแรกนะที่ฉันได้ยินแกพูดอย่างเปิดเผยแล้วก็ตรงดีมากเชิดาผู้สงบฟังด้วยอาการไตรตรองเงียบเงียบ กล่าวขึ้นเป็นประโยคแรกเราก็ไม่ได้คิดที่จะสอบสวนหรือเอาผิดอะไรกแกหรอกเพียงแค่ต้องการให้แกบอกความจริงอย่างตรงไปตรงมากับเราเท่านั้นเพราะไหนๆแกก็ได้ร่วมเป็นร่วมตายมากับเราจนเกือบสุดปลายทางเข้าแล้วเช่นนี้และตลอดเวลาที่ร่วมทางมาในฐานะลูกหาบหรือคนใช้แกก็ได้พิสูจน์ถึงความสามารถความซื่อสัตย์สุจริตและทาตัวให้เป็นคุณประโยชน์กับพวกเราทุกคนไม่ได้ดอยไปกว่าพรานใหญ่เลย เราไม่คุนเคืองถือเป็นความผิดใดๆของแกทั้งสิน้นในสิ่งที่เราเพิ่งจะมาค้นพบเอาเดี๋ยวนี้และเห็นว่าแกก็ได้ใช้ความฉลาดของแกปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่แล้วแล้วมาได้อย่างถูกต้องแล้วขอให้แกจงมั่นใจเถอะนะว่าพวกเราทุกคนรวมทั้งพรานใหญ่ระพินยังต้องการแกอยู่เสมอเพียงแต่ว่าสิ่งใหม่ที่เราได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของแกนะทำให้พวกเราประหลาดใจไปบ้างเท่านั้น ดวงตาคมลึกมีประกายอ่อนโยนคู่นั้นแปรไปจับอยู่ที่อดีต ท, ท่านทูตทหารบุกนายใหญ่และทุกท่านมีความการุณาต่องแง่สายอย่างยิ่งครับแง่สายจะไม่มีวันลืมความเมตตาอารีและน้ำใจอันประเสริฐของทุกท่านตลอดไปครับพลางเจ้าองค์ครักษ์พิเศษของดารินซึ่งมีเบื้องหลังอันลึกลับก็หันไปทางนายหญิงสำหรับนายหญิง หากยังไม่หายขุนใจแง่ทรายแง่ทรายก็พร้อมแล้วครับที่จะคุกเขา่าลุกแก้โทษในสิ่งที่นายหญิงพิจารณาว่าแง่ทรายตกตาว่าจะอันแสงจะสุภาพอ่อนน้อมชนิดนั้นทำเอาราชสกุลสาวใจอ่อนความตั้งใจเดิมของหล่อนที่จะเล่นงานให้แรงที่สุดก็เลยสิ้นสุดยุติลงเพียงแค่นั้นหรือไว้แต่เพียงความพิศวงระคนปิติชื่นชม การเดินทางสายนี้นะ่มีแต่ความมหัศจรรย์ทั้งสิ้นเส้นทางก็แสนแจะมหัศจรรย์และบรรดาพวกเราที่ร่วมชีวิตกันมาก็ยังไม่ไวจะมหัศจรรย์เกินความคาดฝันหล่อนพูดพร้อมกับถอนใจเบาๆโครงศสีสะเชื่อมชาแล้วก็เปลี่ยนเป็นยิม้มเธอนะ่ยทำให้พวกเราทั้งหมดแทบช็อกนะเอาล่ะเดี๋ยวนี้เธอก็ยอมรับแล้วว่าเธอเป็นปัญญาชนที่จเจริญแล้วในด้านความรู้สึกนึกคิด พัดเทียมพวกเราแ้วจะอยู่ร่วมในคณะของเราในฐานะยังไงแงซ า, ายหัวเราะแผ่วเบาไม่มีปัญหาอะไรที่นายหญิงจะต้องสงสัยเลยครับแงซ า, ายก็ย่อมจะต้องอยู่ในฐานะแงซ า, ายคนใช้ผู้สื่อสว์ของทุกท่านตามเดิมจะเป็นอื่นใดไปได้ยังไงนะครับนี่เราไม่ต้องการให้มีการเล่นละครตบตากันต่อไปนะ ฉั น, นไมต้องการให้อาจารย์ผู้เคยสอนวรรณคดีในมหาวิทยาลัยมาเรียกฉันว่านายหญิงแทนชื่อตัวเองว่าแงซทายแล้วก็ทำหน้าเซอเซยิ้มให้เห็นฟันทั้งสามิบสองซี่ซึ่งลักษณะเช่นนั้นมันทำให้ฉันรู้สึกตัวว่ากำลังถูกดูหมินเยาะหยันอยู่ในทีนี่เราพูดอย่างคนที่เจริญแล้วนะอักษศรศาสตร์บัณฑิต จ, จากมหาวิทยาลัยบอมเบยิ้มเห็นฟันทั้งสามบสองอย่างที่นายหญิงว่าตามเดิม มันเป็นรอยยิ้มที่บริสุทธิ์ราศจากเงินงำเจ้านายครับแง่ายนะ่ะมีความเคารพนับถือเจ้านายทุกท่านด้วยความสุจริตใจจริงไม่ได้แซงกระทําขึ้นเพื่อจะหลอกลวงอันใดประสบการณ์หรือภูมิปัญญาใดๆที่ได้มาจากการศึกษาร่ำเรียนแง่ทายก็ไม่ได้เคยทรนงว่าจะเสมอทัดเทียมคณะเจ้านายเพราะฉะนั้นขอให้แง่ทายได้แสดงความคารวะต่อเจ้านายทุกท่านเหมือนเดิมะครับ และโปรจะได้พิจารณาว่าเป็นการเล่นละครเพราะถึงยังไงเสนายหญิงก็ยังต้องเป็นนายหญิงของแง่ซรายทั้งหน้าที่ฐานะและความรู้สึกจากแกนแท้ของแง่ทรายในายใหญ่นายทหารและนายแหม่มก็เช่นกันครับวันนี้และตลอดไปช่วยชีวิตไม่ว่าแง่ทายจะเป็นใครมาจากไหนก็ตามครับเอาเอาวอาก็ดีเหมือนกันดารินพยักหน้าถอนใจยาวอีกครั้งแล้วหันมาทางแม่เพื่อนสาวมาเรีย เมต่อไปนี้ฉันจะไม่รู้สึกแปลกใจอีกแล้วนะถ้าเจ้าสางตาขี้ลิงของเธอคนนั้นจะกลายเป็นจิตแพทย์หรือว่านักเคมีผู้ได้รางวัลโนเบลมาแล้วนี่ทำไมเธอไม่บอกฉันตามจริงนะว่าสางตาคือด็อกเตอร์อะไรสักคนหนึ่งมาเรียวหัวรอชอบใจแล้วเบิกตาโตลากเสียงหนักๆในลำคอว่าโนสางตาของฉันน่ะไมกล่อนมีรับลมคมในซ่อนเร้นเหมือนอย่างมักูเทสนาทาง และคนใช้พิเศษของเธอคู่นี้รอกเขาก็คือเจ้าสางปาขี้ลิงอย่างเราเห็นเห็นอยู่นั่นแหละน้าไว้วางใจได้มากกว่าสองกรล่อนนี่เป็นกองสางปาน้าไม่เคยทำให้พวกเราต้องอยู่ในฐานะโง่งมเลยแต่ถึงยังไงพวกเราทุกคนก็ควรจะสบายใจและหมดข้อกังขาได้แล้วเมื่อสุภาพบุรุษผู้ใช้น้ำงแง่งซายคนนี้ยอมรับสารภาพความจริงทุกครจะภูมิใจหน้อย ที่เธอได้คนขนาดอาจารย์สอนวรรณคดีมาเป็นลูกหาบให้ช่วงช้ยสารพัดถึงพรานนำทางนั่นก็เหมือนกันอนาคตแท้จริงของเขาน่าจะเป็นนักการทรหารขั้นสีนาธิการแต่แล้วเขาก็มาเป็นมักคุเทศรับจ้างให้กับเธอมันเป็นเรื่องของการฟลุกอย่างที่สุดที่คณะของเธอน่ะได้คนดีมีปัญญามีฝีมือเอาไว้ใช้ทาให้เราทั้งหมดฟันฝ่าเส้นทางกันมาได้จนถึงแค่นี้นี่ อย่าไปฉงนสนเทอะไรให้มันมากนักเลยทุกอย่างน่ะเป็นกำไรของเราทั้งสิน้นในความรู้สึกของดารินเชิฐาและชยันอย่ามนี้มาเรียนน่าจะพูดได้ถูกต้อง้ะแง้าสายจะมีพื้นเพมายังไงไม่สำคัญปราบใดก็ตามที่คนคนนี้จงรักภักดียอมตนเป็นข้าช่วงใช้อยู่ในคณะเยี่ยงทาตผู้สื่อสัตว์ไม่ได้แสดงความยโสโอหังกระดั้งกระเดืองหรือตีตนเสมอ ทั้งอดีตและเป็นที่เชื่อแน่ถึงอนาคตตลอดไปอีกด้วยว่าจะไม่เป็นพิษเป็นภัยใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความทอมตนและสงบสงีียมเจียมฐานะัะราตรีเหนือพระจันทร์ผ่านไปอย่างสงบนอกจากตอนเช้าตรู่เกิดผู้เป็นยามสุดท้ายยิงกวางใหญ่ไว้ได้ตัวหนึ่งใต้เนินเบื้องล่างริมทานน้ำเล็กๆ เ, เพื่อเป็นสเบียงประทังชีพ โดยไม่ลำบากยากเย็นอะไรนักเพราะความชุกชุมอุดมสมบูรณ์ของภูมิประเทศและทุกคนก็ตื่นขึ้นด้วยความแช่มชื่นกระปรี้กระเปราเมื่อรุ่งอรุณของวันใหม่ระพินไพรวันหลับเป็นตายด้วยยากล่อมประสาทที่หมอดารินให้ไวเขาไม่รู้สึกตัวแม้แต่เสียงไรเฟิลที่เกิดยิงกวางเวลาประมาณตีห้าเเศและตื่นล่ากว่าทุกคนโดยบุญคาเป็นคนไปปลุก ภายหลังจากเดินไปล้างหน้าที่แอ่งน้ำอันเย็นเฉียบเบื้องล่างกลับขึ้นมาอีกครั้งก็เห็นนายจ้างพร้อมหน้ากำลังล้อมวงกองไฟเตรียมกินอาหารเช้าทุกคนส่งยิ้มทักทายมาที่พรานใหญ่ผู้ยังอยู่ในอาการมึนงงสลืมสลือเล็กน้อยเป็นไงหลับสบายตลอดคืนใช่ไหมระพินท่านหัวหน้าคณะถามยิ้มยิ้มพรานใหญ่ยกมือขึ้นกลุมขนบแล้วสะบัดศีรษะแรง ในชีวิตผมถ้านอกจากจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วผมไม่เคยนอนหลับเป็นตายอย่างนี้มาก่อนเลยนี่เมื่อคืนถ้าเสือเข้ามาข้าวก็คงไม่รู้สึกอะน้อยเขาบอกเราแล้วล่ะว่าเขาเจตนาจะดับเครื่องคุณเองแหละเขาอยากให้พักผ่อนเต็มที่อะชัยยันบอกจอมพรานเหลือไปทางน้องสาวคนสวยของนายจ้างผู้ทําหน้าที่แพทย์ประจำคณะก็เห็นดวงตาสุกพลังท่อจับนิ่งอยู่ตลอดเวลา ยิ้มนิดๆระบายอยู่บนริมฝีปากงามได้รูปนั้นเช้าวันนี้หมอดารินงามสุดใสแผกไปกว่าทุกครั้งพอสายตาประสานกันเสียงใสก็กังวาลถามมาว่าเช้าวันนี้อารมณ์ดีขึ้นหรื อ, อยังจักผู้กองสำเนียงนั้นล้อๆครับดีขึ้นมากทีเดียวครับแต่การุณาคุณหมอจะได้รักษาโรคอารมณ์เสียของผม้วยวิธีนี้บ่อยนักนะครับ ผมไม่ชอบไปใครมาดับเครื่องผมในระหว่างรอนแรมอยู่ในป่าแม้จะมีคนที่ไว้วางใจได้เป็นหูเป็นตาแทนก็าตามนี่สงสัยว่าคุณหญิงจะโอเวอร์โดสให้ผมอะปืนขึ้นมานี่ยังงงๆอยู่เลยนี่นี่นี่อย่ามาทำามันรู้ดีหน่อยเลยหมอจะให้ยาคนป่วยโอเวอร์โดสได้ยังไงกันนะไม่รู้ตัวหรอกเหรอว่าเมื่อคืนนี่คุณทำท่าจะจับไข่ยอยู่ด้วยทำไมสกัดซะก่อนเช้าวันนี้ก็ไม่ต้องลุกกันแล้วแหะ ถ้ายังเพลียแต่เดี๋ยวจะจิ้มยายอีกเข็มเนึ่งรับรองว่าเรียบแรงเป็นกระบือเหมือนเดิมจอมพรานหัวเราะเอาผ้านขนหนูเล็กๆที่ชุบน้ำเปียกชุ่มมาจากลำธารซับประคบตามใบหน้าเห็นจะไม่จำเป็นนะครับอีกสักครู่ผมก็คงเป็นปกติว่าแต่เหตุการณ์เมื่อคืนเรียบร้อยดีหรือเปล่าครับเรียบร้อยดีที่สุดดูเหมือนตั้งแต่ออกจากภูเขานิลการมานี่ เรายังไม่เคยพบที่ไหนจะสบายและปลอดภัยเท่าที่นี่เลยนะธรรมชาติสวยสัตว์ชุมแต่ไม่มีสัตว์ร้ายที่จะต้องคอยระวังก็น่าจะเป็นอย่างที่เชษถาบอกทุกอย่างภูมิประเทศแทบนี้เป็นลักษณะทุ่งโลง่งแต่กระบาดไปด้วยหญ้าเขียวขจีประดุดพรมปูลาดไว้ทั่วทุกขนทุกแห่งแต่กาจากที่รกทึบสลับไปด้วยเถาเครือวัชพืชและไม้ดอกเล็ก สรงกลิ่นหอมขจรขจายตลบฟุ้งอวนอบไปทั่วสัมสัตชุกชุมออกหากินกันอย่างเป็นสุขสแสดงให้เห็นว่าปราศจากพยันตรายใดๆรบกวนสภาพของมันเหมือนกับวนอุทยานห่างไกลจากสิ่งมีพิษมีภัยทั้งหมวตรงกับทิวายาจอมวานอนแห่งภูเขานิลการเคยให้รายงานไว้ก่อนแต่ถึงเช่นนั้นก็ตามพรานผู้ไม่เคยประมาทใครยอย่างระพินไพรวัน ก็ไม่อาจวางใจได้สนิทนักและมีความรู้สึกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยการหลับสนิทเป็นตายของเขาเป็นความเสียเปรียบต่อภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งเพราะไม่สามารถจะสำเนียกใดๆไ ด, ได้ทั้งสิ่งขณะนั้นรัศมีแรกของตะวันเริ่มจะทอรุ้งจับอยู่บนยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเป็นความงามที่ยากจะบรรยายทุกยอดเขา ทุกย่อมยากรอบตัวราวกับฉาบไว้ด้วยประกายหลากหลากสีกลุ่มละอองหมอกที่ลอยตัวอ้อยอิงอยู่ทั่วไปก็ถูกย้อมไม่มีสีสันเหมือนควันที่ประดุดด้วยเคมีบังเกิดเป็นทัศนวิสัยภาพลวงตาขึ้นต่างๆและผันเปลี่ยนไปได้ทุกขณะทุกคนเฝ้าสังเกตจับมองอย่างครุ่นคิดระมัดระวังโดยไม่ได้ตายใจต่อความสวยสุดงดงามของมัน แต่ประการเดียวระหว่างเนื้อย่างอยู่บนกองไฟระพินขอตัวกับนายจ้างเดินย้อนกลับลงมายัางตำแหน่งที่เกิดยิงกวางล้มเอาไว้และพวกนั้นทุกคนรวมทั้งแง่ทรายกําลังช่วยกันชําแหลกลําเลียงเนื้อกันอยู่เขาเรียกแง่ทรายเข้ามาพบตามลําพังนี่แง่ทรายเมื่อคืนนี้ฉันหลับตลอดทั้งคืนมีอะไรที่แกคิดว่าควรจะบอกฉันได้บ้างไหม ตอนดึกสงัดประมาณสามนาฬิกาครับนายหญิงย่องไปดูผู้กองแล้วผ้าห่มคลุมให้ครับผมระพินหน้าแดงไอ้บ้าฉันไม่ต้องการรู้เรื่องนั้นแต่ฉันต้องการรู้ถึงสภาพแวดล้อมรอบๆที่พักเกียกับความปลอดภัยของพวกเราทุกคนมีใครบอกผู้กองถึงเรื่องหมาป่าที่เข้ามาเห่าขอนอยู่ในละแวกที่พักของเราบ้างไหมครับจอมพรานขมวดคิ้วลงอืม บุญคำก็ขยินบอกฉันเหมือนกันแต่มันไม่ได้เข้ามาใกล้ไม่ใช่เหรอแล้วฝูงหนึ่งก็มีไม่มากนะักใช่ไหมแง่ทายก้มลงลางมีดกับน้ำในถานปากก็บอกมาเรื่อยๆว่าอาประมาณสองสามฝูงเละครับวนเวียนอยู่ในระยะห่างเราครึ่งกิโลรอบๆที่พักของเราผลัดกันระเวน ร, รอบๆตั้งแต่เที่ยงคืนจนกระทั่งใกล้รุ่งเพิ่งจะแยกหายไปหมดตอนที่เกิดยิงกวาง กวางที่ถูกยิงตัวนั้นก็เป็นตัวที่ถูกไล่ตอนตะเอิร์ดเข้ามาหาเราครับมีอะไรน่าสังเกตอะผมตามออกไปสองดูราวราตีสองครับแง่สายเว้นระยะนิดหนึง่งบางตัวสีเทาบางตัวสีขาวเหมือนหิมะใหญ่กว่าพันเยอรมันเชฟเฟิร์ดเล็กน้อยแต่ลักษณะคล้ายๆกันครับเขี้ยวยาวขนาดนิ้วก้อยผมไม่เคยเห็นหมาป่าตัวใหญ่ๆลักษณะแบบนี้มาก่อน มันไม่ใช่หมาในไม่ใช่หมาจิ้งจอกแล้วก็ไม่ใช่หมาทั่วไปที่เราเคยพบแถวป่าล่างครับแล้วท่าทีของมัน่ะเป็นไงอีกฝ่ายหนึ่งยักไ์ใหญ่ก็ดูมันขี้คลาดอยู่ละครับฉายไฟกระทบก็จับกลุ่มเดินเลี่ยงหนีแต่ฝูงเท่าที่เห็นะมีรวมกันอยู่แค่สีห้าตัวเท่านั้นผมไม่กล้ารับรองนะครับว่าฝูงฝูงหนึ่งมันจะมีจํานวนเพียงแค่นั้น มันอาจรวมฝูงกันได้เป็นร้อยๆขึ้นไปล่ะระพินกัดริมฝีปากพยักหน้าเนบๆนี่ดีว่าฉันมาถามแก น, นะแต่ฉันไม่ถามแกเขคงไม่บอกใช่ไหมก็มีเลยครับที่คนอย่างผู้กองจะไม่ถามในเมื่อคืนที่แล้วผู้กองหลับแต่ผมตื่นอยู่ทุกระยะไม่มีใครเมตตาปรานีช่วยดับเครื่องแงซายเหมือนอย่างดับให้ผู้กองบ้างนี่ แง่สายเป็นคนใช้ก็ต้องทนลำบากอย่างนี้หละครับเปล่าจบเจ้านันก็อมยิ้มระพินกัเกเขกบานไห้เต็มที่สับมังเอกฉับลงไปแต่งแง่ทายก็คืองแง่สรายเบนสีสระหลบมัเอ ก, กของพราใหญ่ก็เลยจ้วงลงบนอากาศอันบ้างเปล่าเจ้าของมังเอ ก, กก็เลยเดินผละจากมาใช่โดยเร็วทันทีที่เขตผิดหลังอาหารอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นด้วยตะวันสาย มองเห็นภูมิประเทศได้ชัดเจนกว้างไกลเชษ่ถาก็ถามว่าอะวันนี้เราจะเริ่มต้นยังไงเนี่ยก็รวจค้นร่องรอยหลักฐานของคุณชายอนุชากหนานอินในรัศมีรอบที่พักของเราขณะนี้แล้วครับระพินตอบและสำรวจภูมิประเทศไปด้วยอีกครั้งหนึง่งเรามีเวลาอย่างเต็มที่ทีเดียวสถานีที่พักอันเป็นจุดศูนย์กลางของเราก็มีแน่นอนอยู่แล้วทั้งสิบสองคนพวกเราจะแบ่งกันออกไปเป็นสี่พวก พวกละสามคนเดินแยกกันออกไปทั้งสี่ทิศจากจุดกึ่งกลางนี่ออกกันทั้งหมดสิบสองคนนี่เลยเหรอมีใครเฝ้าที่พักบ้างไหมไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นต้องมีใครเฝ้าหรอกที่พักของเราคงไม่สูญหายไปไหนและจะไม่มีการหลงครับเพราะภูมิประเทศรอบด้านเปิดโลง่งที่หมายแน่นอนสำหรับจะสังเกตก็มีอยู่แล้วแลวจะใช้เวลาสำรวจนานสักเท่าไหร่ มีการนัดหมายกันยังไงรัศมีทั้งสี่ทิศที่เราจะแยกกันเดินดาหน้าค้นหาออกไปก็ไม่กว้างไกลามากมายอะไรนักผมกล่าวว่าอย่างไกลที่สุดก็คงไม่เกินรัศมีห้าหกกิโลเมตรเราจะกลับมาพร้อมหน้ากันที่นี่อีกครั้งตอนเที่ยงวันครับตกลงถ้างั้นก็กําหนดตัวได้แล้วสีพวกใครจะไปกับใครทางด้านไหนเรียกพวกนั้นเข้ามาประชุมกันให้หมดแล้วกัน และบอกนโยบายให้รู้ล่วงหน้ากันซะก่อนท่านหัวหน้าคณะออกคำสั่งในทันทีนั้นสิบสองคนร่วมตายเข้ามาประชุมพร้อมหน้าพรานใหญ่อธิบายให้ฝ่ายพรานพื้นเมืองทั้งหมดทราบว่าอะไรคือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานในเช้าวันนี้ส่วนหน้าที่ในการกำหนดตัวบุคคลเขามอบให้เชษฐาพิจารณาอ่ะแล้วจะเอายังไงกันดีเนี่ย ท่านหัวหน้าคณะหันไปหาหรือสาหายร่วมตายของเขาเอางี้แล้วกันชายันบอกอย่างไม่ต้องมีอะไรคิดมากแกน้อยรพินชุดที่หนึ่งฉันเมแงซ า, ายชุดที่สองบุญคำเกิดสางตาชุดที่สที่เหลือก็จันข ย, ยินเซยชุดที่สี่ส่วนทิศทางก็เหนือใต้ออกตกก็เป็นหน้าที่ของทั้ง4ี่ชุด เรียงกันไปตามลําดับเป็นงี้ไงเชิดถาใคร่ครวรอยู่อึดใจก็พยักหน้าเห็นด้วยว่าชัยันกําหนดตัวบุคคลของแต่ละชุดได้เหมาะกับสถานการณ์แล้วซึ่งความจริงความเหมาะสมชนิดนี้ก็ไม่มีอะไรจะมากไปกว่าการจัดหัวหน้าทีมของแต่ละชุดให้ถูกต้องและเข้ากันได้กับลูกทีมที่จะร่วมทางไปด้วยนั่นเองสําหรับฝ่ายเข้ากับฝ่ายชายันอันเป็นชุด1และ2ดูไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้น พระราพินก์กาแงทรายรับหน้าที่อยู่แล้วชุดสามกับชุดสี่ก็มีบุญคํากับจันทร์เป็นหัวหน้าซึ่งก็เหมาะสมอีกเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของจันทร์ยังมีมือดีคือขยินร่วมไปด้วยอีกคนก็ยิ่งทําให้ไม่ต้องห่วงอ่ะเหมาะเป็นนั้นตกลงตามนี้แล้วกันท่านหัวหน้าคณะพยักหน้าและมองไปทางพรานใหญ่เหมือนจะคว่างความเห็นสุดท้ายก็ไม่เห็นว่าจอมพรานจะคัดค้านหรือกล่าวเช่นไรในขณะนั้น เพียงแต่เดินตรงเข้าไปที่จันพูดอะไรอยู่สองสามคำแล้วก็รับเอาปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัตบิบรรจุห้านัดบราวนิ่งที่สมุนทรายเขาถือประจำมืออยู่ตลอดเวลานำมาส่งให้กับชายันยิ้มให้นิดหนึ่งคุณชายันเอาลูกซองกระบอกนี้ไว้ชั่วคราวดีกว่าครับและปลดส่งดับเบิลไรเฟิลกระบอกนั้นให้จันถือไว้ครับอดีตนายทหารปืนใหญ่ซึ่งก็ถือปืนขนาดใหญ่สมกับอาชีพเดิมของเขา ทำหน้าตื่นงงทำไมล่ะผู้กองเอปืนลูกซองของจันไหมผมทมําไมกลัผมจะสะพายไอ้หกร้อยกระบอกนี่หนักนักเหรอโธ่ผู้กองก็ผมถือมันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วจะกังวลเอาภาระกันบ้าแบกปืนโตของผมไปใครอื่นเลยนะ่ะเรื่องเล็ดแล้วพินหัวเราะเบาๆเรื่องนั้นไม่สู้สําคัญนักหรอกครับผมทราบมานานแล้วครับประคุณชายเป็นนักแบก น้ำหนักที่ทารหดดีมากแต่เพื่อความเหมาะสมนะครับเอาเป็นว่าเชื่อผมสักครั้งเถอะวันนี้ลองเอาลูกซองของจันทร์กระบอกนี้ไปถือแทนเจ้าหกร้อยนั่นดูสักวันแล้วกันผมว่าคุณต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างนะก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าทางด้านของจันทนระ์น่ะมีปืนลูกซองอยู่ถึงสองกระบอกแล้วคือเคยยินอีกกระบอกหนะึ่งผมก็อยากจะให้มีการแยกกําลังอาวุธของเราออกไปเพื่อความเหมาะสมบ้าง ลูกซองสองกระบอกไม่ควรจะรวมอยู่ในชุดเดียวกันครับโอเคเอาไงเอากันสุดต่คู่เนี่ยผู้กองใช้ยันส่งไรเฟิลแฟดขนาดใหญ่ที่สุดไปให้โดยดีรับเอาเบราหนิ่งลูกซองมาระพินก็เอาปืนกระบอกนั้นไปส่งให้กับจันแทนระหว่างนี้เองแน่ทายก็เดินตรงไปที่เสยด้วยอาการเป็นปกติโดยไม่มีใครสนใจนะัก ระหว่างที่กําลังจัดเตรียมความเรียบร้อยก่อนหน้าออกเดินทางเจ้าคนใช้พิเศษของคณะหยุดยืนอยู่ตรงหน้าพรานหนุ่มที่สุดของคณะพรานส่งไรเฟิลสามสิบทับศูนย์หกซึ่งความจริงก็เป็นปืนประจำมือของเสซยแต่แรกเองคืนไปให้เซยมองหน้าเอาไม่่าทำไมวะก็เองไม่มีปืนนะเซยเอาไ้เอะทั้งสองพูดกันในภาษากรีก ข้าไม่อยากจะแบกปืนนี่หนักแล้วป็นจําเป็นสําหรับข้าด้วยพรานใหญ่ก็สั่งให้เองเอาปืนที่ข้าเคยใช้กระบอกนี้ไปไว้ประจําตัวไม่ใช่เหรอแล้วทําไมออกมาคืนในข้าเสีแล้วไงาสายยิ้มให้ตบที่ไหล่เสยอย่างปราณีเราแยกพวกกันออกไปนะเสยไม่ได้รวมหมู่กันทั้งหมดเหมือนเช่นทุกครั้งเองก็ไม่แบกของอะไรให้หนักในการเดินทางตรวจรอบนี้อะเอาปืนติดตัวไปดีกว่านะเราเคลือ่อนย้ายเดินทางกันอีกเมื่อไหร่ เองเค่เอาปืนกระบอกนี้ไหมคะ่ะแต่เองก็ไม่มีปืนนะแงไทรายแทนคำตอบแง่ท า, ายชูคันธนูกับกระบอกสอนให้ดูแล้วล้วงลงไปในย่ามหลังส่งกล่องกระสุน30มสทับประจํำปืนกระบอกนั้นให้เสยทั้งกล่องจากนั้นก็เดินผลักมาทางด้านชัยยันนั้นภายหลังจากรับปืนลูกซองของจันทร์มาจากครานใหญ่แล้วเขาก็เวียงขึ้นสะพายไหลโดยไม่ได้สนใจอะไรอีก ตามนิสัยที่ไม่ค่อยจะรอบครอบนักระพินเฝ้าสังเกตท่าทีอยู่เงียบๆด้วยความอึดอัดกังวลใจเพราะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมและเชษฐาเริ่มจะสั่งให้ทุกคนเคลื่อนที่เขาก็เลี่ยงเข้าไปสะ ก, กิดแข็งชยยันชวนเดินห่างออกไปจากคณะทั้งหมดเล็กน้อยกระซิบต่งๆว่าชายยันครับทำไมไม่ตรวจดูลูกในตัวปืนซะก่อนว่าจันใสไว้หรือเปล่ชาช ย, ยันหัวเราะออกมาก็เกิร รีบเอาปืนออกจากไลรกระชากลูกเลื่อนถอดกระสุนออกมาทีละนัดพบว่าจันบันจุลูกไว้ครบเต็มมัดราห้านัดทุกนัดเป็นกระสุนลูกปลายขนาดเคีองแบบดับเบิลโอบักระหว่างนั้นแานใหญ่ ย, ย, ยืนมองอยู่ตลอดเวลาภายหลังตรวจเช็คกระสุนเรียบร้อยอดีตนตายทหารปืนใหญ่ก็ยัดลูกบันจุเข้าไปเต็มมัดราตามเดิมและขึ้นลำพร้อมไวในลากล้องใส่ห้ามไกไว หันมาสบตาจอมพรานอีกครั้งยิ้มเจือเจ่อนๆเรียบร้อยผู้กองยังครับชั ย, ยันขมวดคิ้วทำหน้าสงสัยพระพินบอกมาเบาๆอีกว่าสมมติว่าหมดห้านัดในปืนนั่นแล้วปืนกระบอกนี้มีกลายเป็นไม้ดุ่นหนึ่งเท่านั้นหรอครับคุณชั ย, ยันพูดทิ้งทายไว้แค่นั้นเขาก็เดินจากมาเงียบๆชา ย, ยันกับพริบตาปริบๆอยู่อึดใจหนึ่ง เพิ่งจะไหวทันในสิ่งที่จอมพรานพูดทิ้งแวกคิดรีบเดินไปที่จันทร์สั่งให้ปลดเข็มขัดกระสุนลูกซองซึ่งจันทร์คาดอยู่มาให้เอามาคลองสไพลยไว้และส่งลูกปืนของตอนเองที่มีสำรองอยู่ในตัวไปให้จันทร์เป็นการแลกเปลี่ยนทั้งหมดตรวจนับจํานวนหีบห่อสัมภาระทุกชิ้นที่มีอยู่นําเอารวบรวมเข้าวหมวดหมู่ไว้ใกล้ๆ ก, ก, กันกองเดียวเพราะจะต้องผละทิ้งแค้มไปโดยไม่มีใครอยู่ฝั่ง และจะไม่เอาอะไรติดตัวกันไปเลยนอกจากย่ามหลังของแต่ละบุคคลกับอาวุธประจำมือเท่านั้นและชวนกันเดินรวมหมูไตตามร่องเนินเพื่อขึ้นมาสู่ที่ราบสูงหรือโคกด้านบนอันเป็นบริเวณพิวบิกแอเรียก่อนที่จะแยกย้ายกันไปคนละทิศโดยเริ่มต้นที่นั่นเฉยันอดเป็นห่วงข้าวของที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้หันกลับมามองและบ่นออกมาว่านี่ ไม่จะพอกลับมาละของหายหมดเหมือนเมื่อคราวที่ถูกไอ้นีลายกพวกมาขโมยอีกนะไม่มีใครสนใจคำพูดของชัยยันและชั่วไม่นานต่างก็ขึ้นมาถึงบริเวณเนินสูงเหนือที่พักอันเป็นตำแหน่งรวมกันครั้งสุดท้ายเชษาทำสัญญาให้ทุกคนหยุดกันอยู่ตรงบริเวณนั้นชั่วขณะตัวเขาเองกว่าตามองภูมิประเทศไปรอบทิศอย่างพินิษพิเคราะห์คนหนึ่งก็อยู่ในอาการเดียวกัน ตามพากันนิ่งเงียบไปครู่ใหญ่พรุ่งนี้แหละคือวันขึ้นห้าค่ำเดือนสิบสองตามที่ระบุไว้ในลายแทงท่านหัวหน้าคณะกล่าวพึมพำขึ้นว่าและตำแหน่งที่เราเหยียบยืนอยู่ในขณะนี้แหละคือตำแหน่งที่ลายแทงกําหนดไว้ให้ใช้เป็นสถานที่รอคอยด้วยข้อความว่าปินพระศิวะฉายแสงเรืองรองขึ้นเมื่อใดเมื่อนั้น ขันพระอุมาเทวีจะปรากฏให้เห็นทุกคนเงียบและคิดเชษฐากระดิกนิ้วเรียกแง่ท า, ายให้เข้ามาใกล้และชี้มือไปทางภูเขาหินล้วนลวนลูกหนึ่งตั้งตระงานอยู่ทางด้านตะวันตกดูว่าไม่ห่างไกลออกไปเท่าไหรนะ่นักนแง่ท า, ายเขาลูกนั้นใช่ไหมที่ลายแทงระบุว่าสิวเทพผู้ประทับทอดพระเนตร นางผู้นิทรายังไม่รู้ตื่นครับนายใหญ่ลายแทงต้นฉบับแท้จริงกล่าวไว้เช่นนั้นครับอดีตท่านทูตทหารบกมองไปยังผู้ร่วมคณะของเขาซึ่งยืนประจั์กันอยู่ในขณะนี้ชายันดารินมาเรียและรพินทั้งสี่บัดนี้มองจับไปที่ภูเขาลักษณะเรียวะลูดเหมือนพระปรางหรือเจดีลูกนั้นเป็นตาเดียว เราตั้งข้อสังเกตกันไว้ก่อนแล้วก่อนที่จะเดินทางกันมาถึงที่นี่จากข้อความที่ว่าเป็นพระศิวะเชฐากล่าวเนิบๆต่อมากับทุกคนเราคิดกันไว้ว่าเมื่อมาถึงเราจะต้องสำรวจดูภูมิประเทศให้ละเอียดถี่ท่วนที่สุดเพื่อจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องใกล้เคียงกับพระศิวะให้เราคนพบได้บ้างและในที่สุดจากคาบอกเล่าของแงซ า, าย ที่อ่านได้จากลายแทงเราก็ได้ข่าวคืบหน้ามาอีกว่ามีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งซึ่งลายแทงระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นสิวเทศก็คือภูเขารูปร่างประหลาดที่เรายืนมองกันอยู่ในขณะนี้แหละอะใครมีความคิดอะไรบ้างไหมยังคิดไม่ออกในที่สุดชยันก็พูดขึ้นภายหลังจากนิ่งไปนานโดยยังไม่มีใครปริปากทําใดทั้งสิ่ง ภูเขาลูกที่เรากําลังมองอยู่ในขณะนี้มันมองไม่เห็นเลยนะว่าจะมีรูปร่างลักษณะเหมือนเทวรูปพระศิวะไปได้ยังไงไม่มีลักษณะโน้มเอียงที่ใกล้เคียงทั้งสิ้นแล้วใครเห็นว่ามันเหมือนตรงไหนประโยคหลังเขาหันไปเฟยถามอีกสามคนถ้าเธอจะหมายถึงเทวรูปของพระศิวะอย่างที่เราเคยเห็นภาพแกะสลักไว้ก็ไม่เหมือนแน่นะ ฉันกำลังดูอยู่เหมือนกันนะว่าส่วนไหนนะที่จะอนุ ม, มานว่าเป็นพระเสียรเพื่อหาปิ่นที่มีสันฐานรูปพระจันทร์เสี้ยวก็อมองไม่เห็นดารินตอบพร้อมกับพิจารณาอย่างถี่ถ้วนละเอียดละ อ, อ่ที่สุดทุกคนจมอยู่ในห่วงผวางคิดอีกครั้งสายหมอกยามสายพัดผ่านยอดเขาลูกนั้นอยู่เป็นระลอกกระทบแสงตะวัน แลดูเหมือนวงแหวนสีอำพันล้อมอยู่บนบริเวณส่วนปลายสุดทุกแก่งแง่อันเป็นส่วนประกอบของหินส่งประกายเหลือเปลืองมองเห็นสีสันต่างๆราวกับใครเอาแก้วเจ็ดสีไปประดับไว้อ่ะผู้กองล่ะพอจะมองเห็นอะไรบ้างไหมท่านหัวหน้าคณะหันไปมองหน้าอย่างเจาะจงข้าวหน้าอันเกรียมกล้า น, นั้นอยู่ในภาวะตายด้าน ยากที่จะอ่านความรู้สึกผมสารภาพครับว่ายังคิดอะไรไม่ออกในขณะนี้แต่มีสังหรณ์อยู่ว่าภูเขาที่ถูกระบุว่าสิวเทพลูกนี้เป็นสิ่งที่เราจะมองข้ามไม่ได้มันจะต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่ในเงาของเขาลูกนี้แหละครับไม่เช่นนั้นเจ้าของลายแทงคงไม่ระบุไว้ด้วยการตั้งนามเช่นนี้ละ่ะ เป็นไงจะพยายามมองเขาลูกนี้ให้มีลักษณะเหมือนพระศิวะแห่งลัทธิพราหมณ์เรืองมาเรียถามเปอย์เปย์แต่มันก็มองไม่เห็นเขาเลยสักนิดน่ะชยันว่านี่มันเป็นไปได้ไหมมมนอาจเหมือนเหมือนกับภาพนางนอนนี่ก็ได้นะคือเราต้องอยู่ในตำแหน่งอันเหมาะสมถูกต้องซะก่อนจึงจะมองเห็นเป็นองค์เทวรูปขึ้นมาได้นะ แม่สาวเสนอแนวความคิดถ้าจะพิจารณาถึงตำแหน่งอันถูกต้องไอ้ที่ที่เรายืนอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วนะพระเจ้าของลายแทงสั่งไว้ให้เรามารอคอยกันอยู่บนนี้ก็ถ้าตรงนี้เรายังมองไม่เห็นเขาเงื่อนตรอื่นก็ไม่น่าจะเห็นไปได้นะจะยังไงก็ตามลองตั้งไว้เป็นข้อคิดอย่างที่เมพูดแล้วกัน แล้วก็ช่วยกันคอยสังเกตไว้เมื่อเราแยกย้ายกันห่างไกลออกไปยังจุดต่างๆทั้งสี่ทิศอ่ะผู้กองบอกจันกับบุญคำให้ช่วยคอยดูไว้ด้วยแล้วกันในฐานหน้าของหัวหน้าหมูที่จะแยกไปทางด้านตะวันออกและตะวันตกพรานใหญ่เรียกพรานคู่ใจทั้งสองของเขาเข้ามาบอกให้ทราบตามที่หัวหน้าคณะต้องการบุญคำหันกลับไปคเม้นมองภูเขาลูกนั้นแล้วหัวรองเงือกแดง กดทะลึ่งโลนตามนิสัยเสียไม่ได้เอียงหน้าเข้ามากระซิบกับระพินนายไม่ว่าจะย้ายไปอยู่ทางทิศไหนมันก็มองให้เหมือนเทวาดาแขกโอนเงนไปไม่ได้หรอกนายนายก็เห็นอยู่แล้วอ่ะมันเขาหินโดตั้งยอดขึ้นไปข้างบนตรงเผงแบบเนี้ถ้าเป็นอวัยวะอย่างอื่นของเทวาดาองค์นั้นล้วก็ไม่แน่นายเหมือนเปียบเลยลเดี๋ยวถูกถีบ รพินตาเขียวพูดหลอดไร้ฟันออกมาได้ยินเสียงสองต่อสองแงาซายดารินเรียกนามนั้นชัดเจนถ้าเป็นคนบอกกับพวกเราทั้งหมดเองว่าเขาลูกนั้นลายแทงบอกไว้ว่าสิวเทพนี่เธอมีความคิดอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับการตั้งชื่อของเจ้าของลายแทงเช่นนี้สัญญากันไว้แล้วไม่ใช่เหรอว่าต่อไปนี้เธอจะพูดความจริง ไม่ว่าจะรู้สึกหรือคิดเช่นไรแงา่ายก้มศีรษะลงอย่างอ่อนน้อมนอบนอบเหมือนเดิมครับนายหญิงแงา่ายให้สัญญาวไว้แล้วเช่นนั้นความรู้สึกของแงา่ายในขณนะนี้ก็เหมือนกับเจ้านายทุกคนนะครับคือกำลังคิดค้นหาข่าเงื่อนอยู่ว่าเหตุใดเจ้าของลายแทงจริงระบุไว้เช่นนี้มันจะต้องมีความหมายอย่างที่พรานใหญ่ว่าแน่นอนนะครับ แต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่เราจะค้นออกมาได้ครับก็แล้วเมื่อไหร่ล้วถึงจะถึงเวลานั้นพระอาทิตย์ตกดินครับแล้วก็ต้องเป็นพระจันทร์ขึ้นห้าค่ำพรุ่งนี้นั่นจึงจะเป็นเวลาที่เรารอคอยครับอถูกต้อ ง, ของเขาแง้ไซล่ะเชิดถาพูดขึ้นโดยเร็วพร้อมกับพยักหน้ารับเราพยายามจะตีปริศนากันก่อนเวลาควรนี่ ยังมองไม่เห็นข้าวเงื่อนข้อเฉลย อ, อะไรทั้งสิน้นเอาละ เ, เริ่มงานเฉพาะหน้าได้แล้วแยกกันตรงนี้เดี๋ยวนี้แหละตะวันตรงหัวทุกฝ่ายย้อนกลับมาที่นี่อีกครั้งนะใครคนพบร่องรอยอะไรที่ไหนค่อยมาบอกกันเมื่อกลับมาพบหน้าอีกครั้งแล้วกันอ่ะสบียงของเราก็พอไปได้อีกสองวันอย่างสบายเพราะฉะนั้นอย่ายิงปืนโดยไม่จาเป็นโชคดีนะทั้งสี่ฝ่ายฝ่ายละสามคน แยกกลุ่มกันออกไปตามกำหนดนัดหมายที่ซักซ้อมเข้าใจกันไว้ดีแล้วรพินบ่ายหน้าตัดเนินขึ้นเนื้ออันเป็นเส้นทางที่เขาได้นำเชิดฐาแเละคณะเดินผ่านไปก่อนแล้วเมื่อวันนี้แงซายนำชายยันกามาเรียสวนทางไปด้านตรงข้ามส่วนจันกบุญคำก็หันหลังชนกันและเดินแยกกันออกไปคนละทิศกระจายจากจุดศูนย์กลางออกไปเป็นรัศมีทั้ง4ี่มุม พี่ชายกับพรานใหญ่พระเดินล่วงหน้าไปก่อนแล้วอย่างไม่ชักช้าดารินรู้สึกว่าสายเชือกรองเท้าของหลอนจะลวมจึงก้มลงเพื่อจะผูกโดยไม่ได้ตั้งใจสายตาของหลอนมองตามหลังฝ่ายของชา ย, ยันซึ่งมีไงสายเดินท่อเท้าช้าๆนำไปแล้วราชสะกุลสาวก็สะดุดเข้ากับสิ่งผิดสังเกตชนิดหนึ่งด้วยสัญชาตญาณอันทีท้่นละเอียดละอหลอนจ้องอย่างฉงน ลต้ตะโกนเรียกออกไปไม่ดังนักกะพอให้ได้ยินแงซายร่างนั้นหยุดชะงักหันกลับมามองพลอยทำให้ชยันกามาเรียพลอยหยุดหันกลับมาด้วยไม่มีอะไรหรอกชยันเม่ล่วงหน้าไปก่อนก็ได้ แ, แน่ซายกลับมานนีเดียวสิสองสามีพัญญาโบกมือให้แล้วหันหลังเดินล่วงหน้าไปตามเดิม คงมีแต่แงา่ทายเท่านั้นที่ก้าวดุมดุมกลับมายังนายหญิงตามบัญชาพอดีกับที่หลอนผูกเชือกท็อที่สวมอยู่เสร็จเรียบร้อยยืดกายขึ้นยืนร่างตรงงานเข้ามาหยุดยืนตรงหน้าขณะนั้นทุกคนและทุกฝ่ายเริ่มห่างออกไปเหลือก็แต่เพียงนายหญิงกับเจ้าคนใช้พิเศษเท่านั้นที่ยืนประจันหน้ากันตามลำพังหลอนมองหนะ้าแล้วมองไปที่ไหลลาดได้ส่วนงาม ซึ่งขณะนี้สะพายธนูมีกระบอกสอนห้อยเอวและเหมือนนักรบโบราณที่หลอไว้ด้วยทองแดงแปลกนี่แงซ า, ายวันนี้เธอสะพายธนูเหรอครับนายหญิงฉันไม่เคยเห็นเธอสะพายธนูมานานเลยนะดูเหมือนคันธนูอันนี้จะถูกถอดสายมานานทีเดียวใช่ไหมครับผมถอดสายออกครับมัดรวมกระคารหากัก แล้วขึ้นสายตั้งแต่เมื่อไหรน่นี่เมื่อเช้านี่เองครับฮึราชสะกุลสาวครางแม้มริมฝีปากนิดนึงจ้องตาขมิงพลางเดินช้าๆอ้อมรอบหลังแง่ทรายกลับมายืนเบื้องหน้าอีกครั้งและนึกยังไงและไรเฟิลของเธอละไปไหนผมเห็นเสยมือเปล่าไม่มีปืนครับก็เลยเอาปืนกระบอกนั่นคืนไปเขาชายชั่วคราว พอเห็นเขาแยกกันไปเพียงสามคนตัวผมเองก็เลยคิดว่าใช้ธนูก็ได้ครับดารินมีเงากังขาขึ้นในแววตาพยักหน้าเนิบเนิบแล้วเอื้อมมือไปรวบส่วนโคนของดอกศรทั้งหมดประมาณเจดดอกที่เสียบอยู่ในกระบอกแขวนอยู่ที่เอวแง่ทสายชักขึ้นมาดูพลางขมวดคิว้วประมาณห้าดอกเป็นหัวธนูล่าสัตว์ตามปกติ แต่มีอยู่สามดอกมัดติดกับระเบิดไนโตรอันเป็นลักษณะของหัวธนูซึ่งเคยใช้เมื่อเผชิญหน้ากับงูใหญ่ที่หลมช้างและเจ้ามาหายักษ์ไทรันโนสรัสธนูติดระเบิดชนิดนี้มันหมายถึงภาวะวิกฤตขีดสุดเท่านั้นที่จะจัดเรียมกันขึ้นเฉพาะครั้งครั้งไปและเท่าที่หล่อนจำได้ดูเหมือนเมื่อออกเดินทางจากภูเขานิลักการมาแล้วชายันได้สั่งให้งแง่ทรายถอดระเบิดออก เพื่อความปลอดภัยจากความเผือเรอได้เห็นว่าไม่จําเป็นที่จะต้องใช้อีกไปยังไงมายังไงมันจึงยังเหลือตกค้างอยู่ที่แง่ทรายในขณะนี้สะพายคันธ น, นูมีดอกศรติดระเบิดร้ายแรงพร้อมเอถ้าทางมันไม่ชอบมาพากลอยู่นาะแง่ทรายหล่อนพูดเสียงต่ํๆาๆขณะที่จ้องหน้าดอกดอกศรที่ติดระเบิดช้าๆอยู่ในมือ ฉันบอกเธอฉันจําไม่ผิดรู้สึกว่านายทหารจะสั่งให้เธอถอดระเบิดออกจากหัวธนูพวกนี้ตั้งแต่เราออกจากภูเขานิลการแล้วไม่ใช่เหรอใช่ครับก็แล้วทำไมมันถึงยังติดอยู่นี่ละ่ะตอนที่นายทหารสั่งให้ผมถอดผมก็กําลังจะถอดออกอยู่แล้วละครับนายหญิงพอดีผู้กองเดินผ่านมาพบก็พอดีเขาเป็นคนสั่งห้ามให้ผมถอดครับบอกว่าให้ติดไว้ตามเดิมเช่นนี้ มันก็เลยยังติดเหลือค้างอยู่ครับผู้กองนะหรือเป็นคนสั่งให้ติดไว้ตามเดิมครับผมแปละและรู้ไหมเขามีเหตุผลอะไรถึงไม่ให้ถอดระเบิดออกผมไม่ทราบครับแต่เธอควรจะต้องรู้นะผมเดานะครับนายหญิงระยะระหว่างนั้นเราเผชิญกับฝนและพายุลูกเห็บหนักอยู่ตลอดเวลา เส้นทางเดินก็แสนจะ ก, กันดาลปราศจากที่กำบังบางทีผู้กองให้ผมติดระเบิดไว้ตามเดิมก็คงเป็นเพราะต้องการเตรียมไว้สำหรับยิงระเบิดซอกภูเขาที่ใดที่หนึง่งเพื่อจะได้เบิกทางให้พวกเราเข้าไปอาศัยหลบในยามรับขันผมเข้าใจเอาเองเช่นนั้นนะครับไม่ทราบว่าจะตรงกับจุดประสงค์ของผู้กองหรือเปล่าดารินครางยาวอีก แล้วเช้าวันนี้ถือก็สะพายคันธนูแทนปืนพร้อมกับดอกศรติดระเบิดนะก็เมื่อผมใช้คันธนูผมก็ต้องมีดอกศรและบังเอิญมีดอกศรที่ยังไม่ได้ถอดหัวระเบิดออกรวมอยู่ในกระบอกเดียวกันด้วยมันก็เลยติดมานะครับราชสกุลสาวเอียงคอมองหน้าอึจใจก็บอกเรียบๆว่าก็เห็นสะพายธนูแปลกใจก็เรียกมาถามดูเท่านั้นแหละ เอาละไปได้ฝากดูชยันกเมให้ดีที่สุดด้วยนะแง่าสายดารินวราฤทธ์ภายหลังจัดแยกจากแง่ร า, ายแล้วก็เร่งฝีเท้าเหาะเยาะตามหลังพี่ชายซึ่งเดินลงสวนลาดของเนินล่วงหน้าไปก่อนช่วยไมกี่อุจใจก็ตามมาทันสำหรับพรานใหญ่นั่นเขาเดินห่างออกไปอีกทางหนึ่งทางซีตะวันออกเฉียงเหนือ พยายามตรวจสังเกตดูไปตามพื้นปกคลุมไปด้วยหญ้าสลับไปกับก้อนหินที่โผล่แซมขึ้นมาเตี้ยเตี้ยเรียงรายอยู่ปปลายอันเป็นลักษณะของพื้นบริเวณนั้นทั้งหมดเมื่อตามมาทันเชิดาเพียงแต่มองหน้าไม่เอ่ยถามหรือแสดงว่าสนใจอะไรทั้งสิ้นแต่ทำมือเป็นสัญญาณสั่งน้องสาวให้เดินแยกมุมดาหน้าไปตามพื้นของทิศ ท, ทางเบื้องหน้าอันกาลังจะมุ่งไป ซึ่งเป็นลักษณะของการเดินช่วยกันตรวจหาร่องรอยแต่ดาริ่งยังไม่ยอมแยกห่างออกไปหากแต่เดินเคียงพี่ชายไปด้วยพี่ใหญ่คะพี่ใหญ่สังเกตอะไรบ้างไหมอะไรละน้อยก็วันนี้แงซายใช้ธนูแทนไรเฟิลแล้วก็เอาไรเฟิลของตัวเองไปคืนให้เสรืเชีตาทํทำหน้าชะงงนเล็กน้อย แต่แล้วก็เป็นปกติอาจจะเป็นเพราะแงาสายเห็นว่าเสยไม่มีปืนกันมัง้งแล้วพวกเราก็แยกกันออกไปไม่ได้รวมกลุ่มอย่างเกา่าเห็นว่าตัวเองใช้ธนูได้ก็เลยเอาธนูมาใช้แทนมอบปืนให้เสยไปก็ถือเป็นความคิดที่ถูกต้องพี่ใหญ่คะแงาสายใช้ธนูแล้วคืนปืนให้เสยก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญน่าคิดอะไรหรอกคะ แต่มันน่าคิดตรงที่ว่าลูกธนูสิคะพี่ชายมองหน้าอีกครั้งทําไมเอะน้อยลูกธนูทําไมมีระเบิดไนโตรติดอยู่ด้วยสามลูกคะ่ะในกระบอกสอนของแงซทายแ่ะคะ่ะธนูติดระเบิดเหรอเอ้คะ่ะธนูติดระเบิดครับพี่ใหญ่เป็นดอกธนูที่เหลือติดค้างอยู่สมัยที่เราประจันหน้ากับไทรันน้อยสอบถามดูแล้ว แง่ไซเขาบอกว่ายังไม่ได้ถอดออกคงติดประจําไว้ตามเดิมเช่นนั้นตามปกติแล้วก็เก็บซ่อนไว้อย่างดีแต่ไม่เข้าใจทําไมวันนี้เขาถึงได้เอามันออกมาใช้ด้วยเออแต่พี่จําได้ว่าชัยันสั่งให้ถอดระเบิดออกตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอคะชัยันสั่งให้ถอดแต่รับพินสิคะแอบไปบอกแง่ายให้ติดไว้เช่นนั้นตามเดิมมันก็เลยยังติดข้างประจำหัวธนูอยู่จนกระทั่งบัดนี้ แล่วเมื่อกี้นี่น้อยเห็นมีสายชนวนใส่ไว้พร้อมด้วยนะคะแล้วถามแง่ายหรือเปล่าเรื่องธนูระเบิดอ่ะเขาบอกว่าเพราะเขาต้องใช้ธนูวันนี้แทนการใช้ปืนจึงต้องมีดอกสอนด้วยแลวบางเอิญมีอยู่สามดอกที่ยังไม่ได้ถอดระเบิดก็พลอยติดอยู่ในกระบอกสอนอันนั้นรวมอยู่กับหัวธนูแบบล่าสัตว์ธรรมดานะคะ รอรพินเป็นคนสั่งให้แง่ทรายเอาธนูออกมาประจำตัววันนี้หรือเปล่านะไม่ทราบสิคะน้อยก็ไม่ได้ถามอะไรมากนะักเพียแต่นึกเอใจแล้วก็กําลังคิดอย่างพี่ใหญ่เหมือนกันคือมันเป็นคําสั่งของรพินหรือเปล่าที่ให้แง่ทรายใช้ธนูระเบิดในวันนี้จะเป็นคําสั่งของรพินหรือไม่มันไม่สําคัญ น, น้อยสองคนนะั้นไม่จําเป็นจะต้องพูดหรือสั่งอะไรกันก็ได้แค่มองตากันก็รู้เรื่องกันแล้วว่าต่างฝ่าย ควรจะทํำยังไงหรืออะไรเป็นความคิดของกันและกันน้ยมาพูดกับพี่เรื่องนี้ก็เลยทําให้พี่พบอะไรที่น่าคิดอีกอย่างนะเพียงแต่มองข้ามซะเท่านั้นอะไรเหรอครับพี่ใหญ่อ่ะไม่เห็นเลยก่อนแยกกันออกไปอ่ะระพินเอาปืนลูกซองของจันทร์มาเปลี่ยนให้ชายันถือแทนแล้วปืนชายันไปให้จัน รู้สึกว่าเขามีเจตนาโดยตรงที่จะให้ใช้ยันใช้ปืนลูกซองแทนไรเฟิลห0 0อกระบอกนั้นมันอาจจะเป็นเหตุผลเดียวกันกับที่แงซทรายเอาปืนของตัวไปให้เสยแล้วงัดเอาธนูระเบิดขึ้นมาเตรียมพร้อมก็ได้นะพี่ใหญ่คิดว่าเราควรต้องทำยังไงบ้างละคะอย่างเงี้ยเชิถากวาตาดูภูมิประเทศอันโล่งโถงงดงามรอบด้านและแปรไปจัดอยู่ที่ด้านหลังของรพินไพรวัน ซึ่งแยกทางออกไปประมาณ40เมตรขณะนี้กำลังใช้เท้าเขียดูอะไรอยู่กับพื้นชั่วใจเดียวก็ออกเดินต่อไปเราควรจะเคยชิงกันนิสัยของทั้งสองคนดีแล้วนะระพินแล้วก็แง่ทรา ย, ายเพราะฉะนั้นย้ายเขาพิจารณาว่าเราเป็นนายจ้างประเภทกระต่ายตื่นตูมดีกว่าคอยวิตกวิจารณ์อะไรอยู่ตลอดเวลามันมันมันไม่ดี เอาเป็นว่าเฉยไว้ไม่ต้องถามอะไรทั้งสิ้นแล้วก็คอยระมัดระวังต่อสถานการณ์อย่างนั้นใช่ไหมครับพี่ใหญ่พี่ชายยิ้มเอื้อมมือไปตบหลังน้องสาวแทนคาตอบดารินก็ไม่กล่าวอะไรเช่นกันเหวี่ยงไรเฟิลที่ถืออยู่ขึ้นสะพายไหลแล้วเดินแยกจากพี่ชายทำมุมดาหน้าค้นหาตามพื้นไปอีกทางหนึ่งแต่ไหนแต่ไรแล้วหล่อนพยายามทาตัวให้เป็นประโยชน์ต่อหมูคนะ่คณะ ในทุกวิถีทางทุกคนขณะนี้มีหน้าที่ค้นหาข่าวเงื่อนการเคยผ่านมาพักของคนสาบสูญสองคนซึ่งเชื่อกันว่าจะต้องอยู่ในละแวกใกล้เคียงหล่อนก็มีหน้าที่จะต้องช่วยค้นหาด้วยเหมือนกันไม่ใช่เดินตามหลังเกาะหมู่ไปกับคนใดคนหนึ่งให้เสียเวลาเปลืองเปล่าแบ่งกันหลายหูหลายตาและหลายความพิจารณาบางทีมันอาจได้ผลขึ้นมาบ้าง เมื่อแง่ทรายเดินเข้ามาใกล้ชั ย, ยันก็ซักซ้อมความเข้าใจว่าจะแบ่งกำลังกันออกเดินแยกค้นหาในลักษณะไหนเพราะต่างฝ่ายต่างเข้าใจเขาก็โบกมือเป็นสัญญาณเพื่อให้เดินห่างกันออกไปแต่อยู่ในรัศมีที่ต่างฝ่ายจะต้องอยู่ในสายตาของกันและกันโดยไม่มีมุมใดบงังก่อนที่แง่ร า, ายจะก้าวออกจากที่เพื่อผ่าไปตามแผนนั้น มาเรียก็เอานิ้วขีปอยผมยาวเป็นลอนคลื่นแทบจะปกไหลนั้นไว้โรบินฮูดหล่อนเรียกเขาหน้าตาเฉยเมื่อกี้นี้น้อยเรียกเธอเข้าไปหาทำไมนายหญิงเพียงแต่สงสัยว่าอะไรเฟื้นของผมหายไปไหนครับผมก็เรียนให้ทราบว่าให้เสยใช้ชั่วคราวครับโอเควัน right? เดี๋ยวเราจะไปรวมกันอีกครั้งนะที่ตีนเขาด้านใต้ลูกนั้นตามที่ชายันบอกอะยังไงก็ตาม ระยะเวลาก่อนหน้าระหว่างที่เราแยกกันออกไปถ้าเธอพบอะไรที่น่าสนใจส่งสัญญาณบอกให้เรารู้ด้วยนะแม่มสาวสั่งอย่างคนที่แคล่วคล่องและเข้าใจต่อสถานการณ์ดีเนี่ยไซรับคำแล้วแยกใหม่ชยยายันนั้นหันไปจูบแม่ผมทองของเขาที่แก้มเชฟอดใหญ่แล้วจะแยกไปเช่นกันแต่ก็ต้องชะงักอีกเพราะปัญญาต่างชาติที่โชคหรือเคาะก็ไม่ทราบ บังเอิญให้เขาได้มาในเส้นทางสายมหาวิบากใช้ปลายไรเฟิลกดไว้ที่ไหลเป็นสัญญาณให้หยุดก่อนเขาหันกลับมาก็เห็นดวงตาสีดอกผัดตกงามคู่นั้นจ้องอยู่ก่อนแล้วมีอะไรเหรอที่รักมาอยเดินเข้ามาโอบแขนรอบเอวชยันไวแล้วพากันเดินคลอกไปก่อนระหว่งางไตทางส่วนตะโพกของภาพนางนอน ลงสู่ทุ่งราบเบื้องล่างนี่ไพ่วันนะ่ะส่งปืนลูกซองให้คุณจะเป็นเรื่องที่คุณควรจะเฉลิยคิดและระวังตัวให้มากนะชยันเมีย แ, แม่บอกเรียบเรียบทาเอาชยันลืมตาโพลงอย่างตกใจเมผมก็สงสัยแต่แรกอยู่เหมือนกันนะว่าทำไมระพินจึงเอาปืนลูกซองมาให้ผมถือไว้ในวันนี้อะแล้วคุณอ่านว่ายังไงล่ะมาริสันสีสั ฉันไม่แน่ใจนักนะว่าจะอ่านสถานการณ์ได้ถูกหรือไม่รู้แต่เพียงว่าปืนลูกซองน่ะคงจะมีประโยชน์สำหรับฝ่ายเราทางด้านนี้มากกว่าที่จะให้ถือไรเฟิลลากล้องโตกระบอกนั้นถ้าเกิดความจำเป็นขึ้นมันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่ไพัยวันคิดระแวงดูเหมือนเขาจะเป็นห่วงคุณมากกว่าคนอื่นนะเพราะรู้ดีอยู่ว่าคุณกระปืนโตของคุณนะ่ะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมากนักนอกจากแบกหนักใช่มากกว่า คุณก็เหมือนอนกับสเตเก้นนั่นแหละชอบถือปืนกระบอกโตๆไว้ปลอบใจตัวเองในเวลาเดินป่าแต่ปรากฏว่ายิงอะไรไม่ค่อยจะถูกครับชายันยิ้มแห้งๆยอมรับสรบภาพว่าจริงของคุณเมผมไม่ใช่นักเดินป่าอาชีพที่เข้าถึงสภาพการแท้จริงในป่ามาก่อนก็เลยเลือกกอาปืนโตๆเข้าไว้แล้วเมื่อรวมตัวเลือกปืนโตมาถือแต่แรกแล้วไอจะเปลี่ยนคราหลังก็ขายหน้า ก็เลยต้องกัดฟันแบกท่อนเหล็กหนักรวมห้ากิโลมาตลอดก็ทุเรศตัวเองไม่น้อยเหมือนกันเลยเมและด้วยอารมณ์สัพยกยาวเล่นเขาเอียงหน้าเข้าไปกระซิบว่าแต่ถึงยังไงปืนโตก็ยังดีกว่าปืนเล็กนะมาเรียชำเหลืองคอนบนอะไรอุบอิบแล้วว่าก็ไม่แน่เหมือนกันมันสุดแต่ว่าใช้เป็นหรือเปล่าเท่านั้น ถ้าไม่เป็นมันจะได้ผลขึ้นมาได้ยังไงพร้อมกับพูดชัยยันจะเอื้อมมือมาแตะที่หน้าท้องของหล่อนมาเรียปัดมื อ, อ, อไปโดยเรงร้องอู๊แยกไปได้แล้วทิศทางที่ฝ่ายของชัยยันจะมุ่งหน้าไปก็คือทางด้านเชิงเขาที่คณะทั้งหมดเดินลงมานั่นเองมิชามินานทุกฝ่ายที่แยกย้ายกันออกไป ต่างก็ลับหายไปจากคลองจักสุของกันและกันเพราะความสูงสูงต่ำตำของภูมิประเทศลักษณะรอนคลื่นบดบังไว้ยกเว้นแต่พวกที่ไปในเส้นทางเดียวกันซึ่งแม้จะแยกเดินออกตรวจหาเดียวก็อยู่ในรัศมีที่พอจะมองเห็นกันได้นานๆก็จะวกเข้ามาพบปากหารือกันสักครั้งสุดแต่ใครจะมีปัญหาหรือพบเข้ากับร่องรอยอันน่าสงสัยใดๆที่จะต้องขอความเห็นกัน เส้นทางสำรวจของช ย, ยันจึงนับว่าอยู่ในช่วงสั้นกว่าทุกฝ่ายเพราะไม่เกินชั่วโมงเดียวทั้งสามก็พบกันในเชิงเขาอันเป็นที่นัดหมายโดยมีเงาทายยืนรออยู่ก่อนแล้วช ย, ยันกามาเรียตีวงเข้ามาสมทบอะเอาอยัางไงกันดีเนี่ยเงาทรายรัศมีค้นหาของพวกเราเนี่ยมันสั้นแค่นี้เองช ย, ยันถามจอมพเนจรป้องหน้าขึ้นดูดวงตะวันแฝงดวงอยู่ในม่านหมอก แหรรัศมีทรงกลดเป็นวงกลมกว้างอยู่กลางท้องฟ้านายทหารครับตอนนี้เรายังเหลือเวลาอีกหลายชั่วโมงก่อนเที่ยงวันนะครับผมอยากจะเดินย้อนขึ้นไปบนภูเขาลูกที่เราลงมาเมื่อวานอีกครั้งครับเพื่อตรวจดูภูมิประเทศจากที่สูงบางทีจะช่วยให้วินิจฉัยอะไรได้ดีขึ้นผมจะกลับลงมาภายในไม่เกินชั่วโมงครับนายทหารกับนายแหมมนั่งรอผมอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วกัน ไม่ต้องเดินขึ้นไปกับผมบนนั้นให้เสียกำลังหรอกครับอะตกลงแต่อย่าให้เกินชั่วโมงที่บอกนะชายันสุช่องหมอะรีบรับคำโดยเร็วพร้อมกับส่งกล้องสองทางไกลให้แง่ทรายกล่าวต่อมาว่าอ่ะเมื่อแกกลับมาแล้วเราจะหารือกันอีกครั้งว่าควรจะใช้เวลาที่ยังเหลืออยู่เดินสำรวจต่อไปทางด้านไหนอาจจะไปบรรจบกับฝ่ายบุญคาหรือฝ่ายของจันก็คอยว่ากันอีกทีแล้วกัน เงยสายรับคําผลักออกเดินไตขึ้นเขาไปเ ร, เร็วชายันยิ้มกลิ่มยืนมองตามหลังขึ้นไปจนกระทั่งร่างนั้นกลืนหายไปกับความเขียวขจีของพรมหญ้าที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งลูกเขาและทุกขนทุกแห่งแล้วหันมาอบไหลมาเรียชวนให้เข้าไปนั่งพักบังร่มอยู่ใต้หินใหญ่อันงอกอยู่ริมสายธารเล็กๆเขาไม่เคยสุบช่องเหมาะอย่างนี้มานานแล้ว ตลอดการเดินทางระยะหลังแต่เมียแหม่มของเขาก็ไหวทันปัดมือออกสุดกายลงนั่งบนหญ้านุ่มตรงตำแหน่งที่ยืนอยู่นั่นเองไม่ยอมหลวมตัวเขา้าซอกนี่อย่าหลงกนแ ง, งซรายหน่อยเลยมันเป็นเจตนาของเขาโดยตรงรู้ไหมเจตนาอะไรกันเมก็เจตนาที่จะทิ้งคุณกับฉันให้อยู่กันตามลำพังที่นี่เพื่อมันเป็นไปตามความต้องการของคุณน่ะสิ เอาไว่าเรานั่งรอเขาอยู่ตรงนี้ดีกว่าชยันไม่ดื้อดึงจะเอาแต่ใจตัวเหมือนแต่ก่อนทิ้งกายลงนอนพังภาาอยู่ตรงหน้ารอนวางใบหน้าลงกระตับและอกกอดเอวไว้ตกลงเมผมจะไม่ทำอะไรให้ขัดใจคุณเลยแค่ได้อยู่กันตามลำพังแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วละ่ะสองชั่วโมงผ่านไปเชฐาดารินและระพิน เข้ามารวมหมู่กันอีกครั้งหนึง่งยังบริเวณที่ลุ่มต่ำเป็นแหวนว้าวลงไปต่างฝ่ายต่างไม่พบเขาเงื่อนร่องรอยใดๆทั้งสิน้นนอกจากรอยของสัตว์เท้ากีบประเภทเก้งกวางและวัวบางชนิดที่เหยียบย่ำหากินอยู่กลางเกลื่อนอันเป็นรอยที่ผ่านมาเมื่อคืนก็นัาปะหลาดอยู่เหมือนกันที่ในเวลากลางวันเช่นนี้แม้รอยเท้าจะแสดงให้เห็นว่ามีอยู่ชุกชุมแต่ก็ไม่ปรากฏเงาของสัตว์เหล่านั้น ให้เห็นเลยสักตัวเดียวตลอดเวลาที่เดินกันมาจอมพรานบอกกับนายจ้างทั้งสองของเขาว่าสงสัยว่ามันจะขึ้นหลบนอนอยู่บนยอดเขาสูงหมดในตอนกลางวันครับจะลงมาหากินในทุ่งหญ้านี่เฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นเพราะบริเวณนี้เป็นที่โลง่งไม่มีป่าทึบสำหรับจะหลบกำบังตัวยังไม่ทันจะขาดเสียงพูดของราพินนั่นเอง ทั้งสามที่นั่งทักกินน้ํากันอยู่ก็ต้องชันคองเงี่ยหูในทันทีเพราะเสียงหนึ่งแว่วมากระทบโสดุดมันเป็นเสียงวิ่งมาตามพื้นอันเกิดจากตัินสัตว์หลายร้อยคู่จนแผ่นดินที่นั่งอยู่สั่นสะเทือนครั้งแรกต่างนึกว่าหูอาจจะแว่วไปเองแต่แล้วมันก็ดังชัดเจนขึ้นทุกขณะตําแหน่งแห่งเสียงที่แว่วอื้อเอืองราวกับพายุนั้นมีทิศทางไม่ห่างออกไปนะักระพินทะลันลุกขึ้นยืนโดยเร็ว พี่น้องราชสกุลทั้งสองก็ไม่ช้าไปกว่าเขาเลยกระโดดขึ้นพร้อมกันทั้งท้งที่ดารินยังดื่มน้ำในกระติกค้างอยู่ก็อะไรขึ้นเร็วครับขึ้นที่สูงก่อนนะครับไม่ทันขาดคำพรานใหญ่ออกวิ่งนำหน้าจากบริเวณแอ่งที่ลุ่มซึ่งนั่งพักกันอยู่ไตาปาขอบเนินขึ้นไปโดยเร็วโดวยมีเชืฐาซึ่งฉุดมือน้องสาวตามหลังขึ้นไปติดติเมื่อบรรลุถึงขอบเนินอันสูงที่สุดของบริเวณนั้น ทั้งสามก็แลออกไปพบกับภาพที่ยังความประหลาดใจให้ขีดสุดพากันจ้องตะลึงค้างอยู่ห่างออกไปเบื้อมหน้าทางด้านเหนือประมาณหนึ่งกิโลเมตรอันเป็นบริเวณเนินส่วนอกของนางนอนสัตว์สีส่เท้าขนาดต่างๆทั้งเล็กทั้งใหญ่พากันวิ่งตเตลิดเป็นริ้วขบวนยาวเหยียดลงมาจากซอกเขาผงคลีและต้นหญ้ากระจายฟุ้งตลบเป็นม่านควัน ทุกตัววิ่งเต็มฝีเท้าของมันบายหน้าจากเขาสูงลงไปหาที่รากตามฟังตรงข้ามเป็นเส้นขบวนยาวเหยียดมุ่งไปยังทิวเขาอีกด้านหนึ่งเรากับว่าฟ้าถล่มไล่หลังมันมาและที่มันพากันวิ่งไปนั้นก็เพื่อจะเอาชีวิตของตนเองให้รอดไวปริมาณของมันไม่อาจนับได้ในขณะนี้เพราะเลยดูดังพืชไปหมดระหว่างที่เชษฐาดารินกาลังจอง้องงงงันอยู่นั้น ร้านใหญ่ก็ล้วงกล้องส่องทางไกลออกมาส่องดูโดยเร็วอึดใจเดียวจึงส่งให้เชษ ฐ, ฐากวางพันเดียวกับที่เรายิงได้เมื่อกล้รุ่งวันนั้นทั้งวันนะครับไม่น้อยกว่าพันตัวมันกำลังแตกตื่นอะไรสักอย่างนึง่งเชฐฐายกกล้องขึ้นส่องแล้วแม้มริมฝีปากแน่นอกจากป่าสงวนในซาฟารีแล้วผมยังไม่เคยเห็นสัตว์ที่ไหนจะมากมายอยู่กันเป็นฝูงขนาดใหญ่เรากะกองทัพอย่างนี้มาก่อนเลยนะ โชคดีอยู่บ้านนะที่มันไม่วิ่งด้านหน้ามาทางด้านเราไม่งั้นคงถูกมันเหยียบแหลกแน่ว่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นนี่พายุหรือว่าภูเขาหิมะด้านบนขึ้นไปมันถล่มหรือไงระพินแหงหน้าตรวจสอบสภาพอากาศเท่าที่แลเห็นอยู่ทั่วไปมันไม่มีข้าวเงื่อนอย่างที่เชษาสงสัยเลยเพราะทัศนวิสัยปลอดโปรง่งแจ่มใสรอบด้านดารินนั้นขณะนี้กายสั่นน้อยๆหลจ้องหน้าเขาขม็ง ผมก็ยังทายไม่ถูกว่ามันเกิดจากสัญญาณภัยธรรมชาติหรือว่าอะไรครับที่ทําให้เจ้าพวกนั้นแตกตื่นกันอย่างน่ากลัวเช่นนี้เอาเป็นว่าเรารีบกลับที่พักกันก่อนเ้อะครับทั้งสามถอยพระจากที่นั่งตัดเนินมุ่งย้อนกลับยังที่พักโดยเร็วแต่แล้วยังไม่ทันจะจ้ากันไปสักกี่อึดใจก็ต้องสะดุ้งขึ้นพร้องกันเสียงปืนระเบิดกึกก้องแววมาตามลมสะท้อนกลางวานไปทั่วบริเวณที่มีทิวเขาล้อมรอบ มันตูมขึ้นเป็นนัดแรกไม่สามารถจะบอกได้แน่นอนในภาวดเช่นนี้ว่าดังมาจากทางด้านไหนและชั่วเสี้ยววินาทีต่อมาก็แผดสนันตามตปดมอีกเป็นนัดที่สองสามแล้วก็สี่ห้าตามลำดับอย่างถียยยนน่ยิบคุณใช้ยันแน่แพนใหญ่ร้องออกมาเราสังเยตได้ชัดเจนว่านั่นเป็นเสียงลูกซองซึ่งแววมาจากเชิงเขาด้านใต้นักที่หซึ่งดังซ้อนแซ่ขึ้นมานั้น สดับได้ชัดเจนยิ่งนักเพราะคราวนี้มันเป็นกำปั้นหน้าของรไรฟลแม้จะผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงมันนับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็ตามแต่อันเนื่องมาจากได้ว่างเว้นปกติสุขมานานและความห่วงใยเพราะไม่มีโอกาสได้รู้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับอีกฝ่ายหนึ่งทำให้ทั้งเชษฐาเดาลารินแทบตัวแข็งหยุดยืนนิ่งกับที่ลืมหายใจไปชั่วขณะ